Buddham sariram gatcha. Buddham sariram gatcha. Buddham s a r i a m gatcha. Dhammam sariram gatcha. Dhammam Dham s a r a m อ่าในครั้งที่แล้วในครั้งที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงในเรื่องของเอาจากฐานสตินะจริงๆก็คือการลในอีกสูตรหนึ่งแต่ก็มา เอาใครกคนรอีกสูตรหนึ่งมาพิจารณาและประส น, นนนาสักครู่โยมฝากถามเกี่ยนในเรื่องว่าเออทานกุศลถ้าหากพูดถึงในเรื่องของทานกุศลนำมาใคร่ควแล้วให้เป็นศีลกุศลเนี่ยนะเองมีสูตรหนึ่งนะลองรับได้ที่คิดๆได้ในขณะ น, นี้คือเกี่ยวกับในเรื่องของ ในทีขณิกายเนี่ยในทีคณิกายสีรขันธวัฒนอันนั้นท่านจะพูดถึงในเรื่องของยันในเรื่องการบูชา ย, ยันคือว่าพรามเนี่ยนะพรามท่านไปพิจารณาเกี่ยวในเรื่องบอกว่าท่านจะทำวิธีในการบูชา ย, ยันก็คือมีแพะเจ็ดร้อยแกะเจ0ดร้อยโค 700, เจ็ดร้อยเนเรเหล่านี้ จะทําวิธีในการบูชายันก็แพรเอาแกะเอาโคเป็นต้นหนึ่งไปมัดผูกเอาไว้กําลังจะเตรียมวิธีในการที่จะบูชายันนะในครั้งนั้นพระบรมศาสดาก็เสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปประทับอยู่ทีนี้ประชาชนทั้งหลายทราบขา่าวเียติคุณของพระพุทธเจ้าก็ขจรไปใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นพระรหารเสด็จมาดีแล้วเป็นต้นนึ่ง ทีนี้การที่ชื่อเสียงของพวรวบรมศาสดากระชอดไปอย่างนั้นเน่ยประชาชนทั้งหลายก็ถือดอกไม้ทูเทียนในการที่จะไปของพร ท, ทีนี้พราหม์ที่เป็นหัวหน้าพราหมณ์ได้กำลังจะทำวิธีบูชายันเนี่ยไอ้ขั้นที่ว่าจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในคว้านของตนเองตนเองปกครองอยู่ก็เลยต้องไปเมื่อไปก็เลยเอาดีละเมื่อไปแล้วจะได้ไปสอบถามการบูชายันของพระพุทธเจ้าก็เลยก็เลยไปถาม บอกว่าเออการบูชายันอย่างไรที่มีผลมากมีอนิสงส์มากอะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวเพื่อเรื่องการบูชายันนึกว่าพระพุทาจะจะสรรเสริญการบูชายันของตอนเองที่จะทําอย่างนีพระพุทธเจ้าก็บอกว่ายันที่ประเสริฐนั้นเน่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระเจ้ามหาวิชิตรราชในสมัยอดีตเขาทําพิธีการบูชายันอย่างไรก็คือยันที่พระเจ้าวิชิตรราชทําในยุคนั้นก็คือการบริจาคทาน แต่การบริจาคทานนั้นก็คือมีการประชุมไงประชุมเหล่าเสนาอำมาตย์ประชุมเกี่ยวในเรื่องของขราชบริกรบริพารนั่นแหะแล้วแค่นั้นไม่พอก็ยังประชุมเกี่ยวในเรื่องของประชาชนที่เป็นขนามวตีที่เป็นเศรษฐีเอามาประชุมเสร็จบอกว่าเงียพระเจ้าวิชิตล่าจะทําการบูชายัญแบบนี้ยเพราะงั้นไงบูชายัญก็คือในกรณีที่จะเอาเงินจากท้องบคชังมาบูชาเอามามาจะมาแจกตั้งเป็นโรงทานขึ้น เมื่อตั้งเป็นโรงทานขึ้นมาแล้วก็มีการแจกทานเนะี่ยทีนี้การแจกทานนั้นเนะ่ะอมาที่เป็นคนใกล้ชิดของพระเจ้าวิชิตราก็บอกว่าบอกว่าวิธีคิดยังไงที่จะทําให้การบูชายันในการให้ทานนั้นเนะ่ะเป็นทานที่มีกุศลกว่ก็คือว่าหนึ่งในขณะที่อย่าเสียดายคือว่าทานที่มันจะหมดเท่าไหร่นะต้องตั้งจิตให้ดีอย่าให้จิตเสียนะ ก็คืออยาให้เสียดายในขณะที่ว่าว่าถ้าให้ทานไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดจิตเสียใช่ไหมว่าอุ้ของเราหมดแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างเงี้ยเป็นการบูชายันที่ไม่ถูกต้องทั้งทัประการแรกคือเสียดายทรัพย์ประการต่อมาก็คือว่าบุคคลที่มารับทรัพย์เนี่ยมันมีอัตยาสัยแตกต่างกั น, นบางคนก็ทุศีนบางคนก็ทุจริตบางคนเลไรต่างอย่างเงี้ยก็อย่าไปทําจิตเสียเหมือนกันว่าอุ้เราให้กับคนชั่วแล้วอะไรอย่างเี้เป็นต้นเนี่ย น, นะแล้วก็เมื่อให้ไปแล้ว ก็อย่าไปเสียดายใคหล่งก็อย่ากให้ไปเสียดายใครหลังเป็นต้นก็ให้ตั้งวิธีคิดอย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี้ยคือการการตั้งในการอย่างนั้นไปเสร็จแต่ในสูตรเนี้นยท่านจะพูดถึงในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองว่าทํายังไงเกิดโจรผู้ล่าชุกชุมทายัางไงประชาชนประชาชนอดากทํายังไงเป็นต้นเนี้เป็นหลักการบริหารอะเรื่องจะไปเปิดดูในสูตรในศี่รักษากาะทีนี้ต่อมาก็พอ ถามก็ถามบอกว่าพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่านี่ไงทานของพระเจ้ามหาวิชิตราชนี่ยดีกว่าทานที่เกิดครับเออยันของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่ทําอยู่อันดีก็ยันนิ้งเทือที่ท้องเพราะไม่มีงานฆ่าไม่เหมือนยันน้องเทือที่ฆ่าแล้วก็ลงฆ่าต้องปตกเพื่อนไปด้วยชีวิตสัตว์เป็นต้นเหรอเนี่ยนะทีนี้ก็ถามก็ถามอีกว่าที่ลงทุนน้อยกว่านี้และได้บุญมากกว่านี้มีไหมพระพุทธเจ้าแบบนี้ก็เลยบอกอ่านิตยทา น, น คือการให้ประจําแก่ภิกษุที่มีสินเป็นต้นก็คือให้เป็นประจําเลยกแล็แปลว่าให้ทุกวันให้เป็นประจําฝนตกแดดออกอะไรต่างๆก็คือให้ไม่หยุดเลยนิจิท า, านอย่างเนี้ยอันนี้มีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากกว่าทานที่พระเจ้ามหาวิจิตลา ท, ทำมาตั้งมากมายที่เปิดปท้องก็ครั้งเพราะอย่างงั้นผู้รับเนี่ยทุกสินก็มีใช่ไหมเป็นบุคคลที่ไม่ได้ อ, อบรมกายอบรมสินอบรมจิตเยอะแยะหมดเลยแต่ น, นี้ให้กับคนผู้มีสินแล้วนั้น ฉะนั้น น, นิสงก็มากกว่าทางก็พิจาริานาโอ้ทำยากใชไหทางนี้ทํามากแลลงทุนก็มากด้วยแล้วทําทเป็นประจําด้วย mm hmm. ก็เลยบอกว่าเอาที่ลงทุนน้อยกว่านี้ยบูชายาันที่ลงทุนน้อยกว่าเนี้ยมีมัหม mm hmm. พระเจ้าบอกว่ามีบอกอะไรวิหารอาคารถวายเดี๋ยวสงที่เจตุรธิคือไม่จ่อจงแนละ้สร้างวิหาราคานเนี่ยถวายเลย แล้วการอย่างนี้สร้างครั้งเดียวเสร็จเลยลก็เอาพูดถึงอานิสงส์ของการบรเอัทให้ยังให้ยี่ห้อรับทานด้วยป้องกันแดดป้องกันฝนป้องกันเหือพุมลมแดดเป็นต้นหนาวเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็เป็นเป็นที่อยู่ของพระวหูสูตรทั้งหลายด้วยผู้ทรงก็ใจพิโดกผู้ก็พืชปฏิบัติมาไขคค้ควรคำมักของสว า, าสนาสุดาเป็นต้นเหล่านี้อานิสงส์ก็จะเยอะอะไรอย่างงี้ยเขาบอกนี่พี่เจริญนะนี่จะสร้างวิหารพวกนั้นเดี๋ยวก็ต้องซ่อมอีกแล้ใช่ไหมเดี๋วก็พัง เขาเลยบอกว่าเอ๊อานิสงส์ที่มากกวคนนี้มีมไหมบูชายันที่ลงทุนน้อยกว่านี้แต่อา น, นิสงส์มากกว่านี้พระพุทเจ้าบอกมีออถึงสรณนคมใช่ไหมลงทุนน้อยบูชายันแบบเนี้ยลงทุนน้อยถ้าก็คือถึงบอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็พระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าทำป ร, ริยส่์เป็นที่มึ่ง เป็นเรื่องเป็นที่กําจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตเป็นต้นอย่างนี้ไม่ต้องลงทุนเลยใช่ไหมพิจรารณาอพิก็บอกพอแล้วที่มันดีกว่านี้เราลงทุนน้อยกว่านี้ยังมีอีกไหมที่อันนิสง ม, มากกว่านี้ขเจาร์บอก ม, มีอะไรกุศลรศีนี่ศีนห้าเป็นต้นเห็นไหมเนี่ยก็ไล่ไปเลยเนี่ยศรศีใช่ไหมไล่มาตามเนี่ก็ถามกูศลศีก็บอกอันนิสงเนี่ยนะว่าเป็นยังไงใช่ไหมการกุศรศีนห้ากูศรคำบทชศีนกูจะเอาสอง บอกวดีอันนี้ลงทุนกันเนาะก็ถามบอกเอลงทุนน้อยกว่าเนี้ใช่ไหมอันนี้สองมากกว่านี้มีไหมไล่ไปตามลำดับไล่ไปตามลําดับเลยไปไปถึงทีพีซีสังวรไล่ไปตามลําดับแล้วก็ไปถึงในเรื่องของสติสัมปชัญญะนี้สันโดษแล้วสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดแล้วก็การละอีวัลธรรมด้วยปฐมฌานเขาบอกว่าปฐมฌานนี่อันนี้สงเป็นกับกอบเลยใช่ไหมถ้าไปเป็นพรหมเนี่ย ขอถวาชาตุยชาญกติยาชาญจตุตถชานเนี่ยการบูชายันอย่างนี้สิน้นอันนี้สงมากเป็นพรหมเียยุะแยะๆก็ถามต่อไปไปตามพระธสอนวิปัสนาถึพอจบจากเุตาชาญก็เรื่องวิปัสนาเจตุวิปัสนาแล้วก็ไล่ไปอีกทีวิทาไปตนไตามลาดับไปจนถึงที่ประจักขูแล้วก็เจโตปริยญาณเป็นต้นไปตามลดับแล้วก็มาปุเพรนิวานสารุสติญาคิตูตปาตญาจะจบลงด้วยอาสวะยญาญา พอแสดงเบสเสร็จแล้วท่านรามก็บอกโอ้ตอนนั้นจิตใจก็ยังกังวลอยู่ก็เลยให้ลูกน้องไปปล่อยปล่อยแพทย์แกะที่ตนเองผูกเอาไว้ทั้งวมนึ่งผมไม่เอาแล้วบูชายามเหล่านั้นเป็นบอกแล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วนี้สจริงฟังทำได้เลยไม่รู้จะเป็นพระโสดาบานเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฉะนั้นเจ้าชเมื่อกี้ที่คุณยมถามมาก็กเรื่องของว่าเออกุศลแะศี ถามจนนี้เรื่องของกุศลแลสีเอ อ, เออให้ทานยังไงจะเป็นกุศลก็คือการพัฒนาไปจากทานเลยนะจากนิยติทานเป็นต้นแล้วมาวิหารทานจะวิหารทานเป็นสารณาคมจากสารณาคมก็เป็นกุศลและสีทีเนี้ยจะเป็นกุศลและสีทีนี้ด้าในกรณีที่ว่าจะาขานุสติที่เอามารื้กับมาไขขวดถ้าในด้านของสีและกุศล สีกุศลที่จะสามารถที S S amos, icos, ่จะมาระลึกเป็นสีลานุสติเป็นต้นได้เน่ท่านก็ว่าสีนั้นต้องไปเจอเรื่องสนามานะที่ติดกัในลักษณะนี้ทีนี้ในด้านของศีเนี่ยเจตนาก็ชื่อว่าสีลเจตสิกก็ชื่อว่าศีลสังวรก็ชื่อว่าสีอวิตรตมะคือการไม่ก้าร่วมก็ชื่อว่าสีเยอะเลยในด้านขูงสีเนี่ยนะไอตรงนั้นก็คือว่าในด้านของถ้าปฏิโมกสังวรศีเนี่ยแล้วก็อินเรียสังวรศีเป็นต้นเดยมากบาง ในสูตรบางสูตรเนี่ยถ้าด้านของอินทรีย์สังวรศีนท่านจะจัดอยู่ในหมวดของสมาธิสมาธิแล้วนี่ทำไม่จัดอยู่ตรงนี้นอ๋อเป็นการสํารงอินทรีย์ก็คือทําจิตไม่ให้เป็นบาปท่านเลยจัดขึ้นไปอยู่ในระดับอีกระดับหนึ่งนะบางแห่งแต่โดยมากกับบางแห่งก็จะอยู่ในหมวดเดียวกันหมดจะตกปริสุทธิศีนก็คือ IN IE, อ, อ, อินทรีย์สังวรนะปาริโมกสังวรศีอินเดียสังวรศีน อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลแล้วก็ปัจจยะยสันสนิสิตาศีลในปาฏิโมกสงวรศีลก็จะมีสัตทานอะไรเป็นประธานถ้าอินทรีย์ศีลสงวรศีลก็คือสติใช่ไหมเป็นประธานอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลก็คือตัววิริยะความเพียรที่บริสุทธิ์ส่วนปัจจยสันนิสิตาศีลนี่ก็คือพิจารณาปัจจั ย, ยนั้นก็เป็นปัญญา ่สรุปตรงนี้บางเห็นบางบางสูตรท่านก็จัดไว้ตั้งแต่อินทร์สีสังวรสีเนต้นไปมนจะจัดอยู่ในกลุ่มของสมาธิแต่ว่าถ่าในหมวดของคำพีวิสุทธิมรรคก็จัดกลุ่มนี้ไว้ในด้านของบุตสัจสีทีนี้ถ้าถามว่าสีเนี่ยนะถ้าจะามาไขาค้นเนี่ยนะที่จริงในด้านของในด้านของสีเนี่ย เวลาเราศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีประเด็นอยู่อย่างก็คือว่าเมื่อศึกษาไปแล้ว เ, เสร็จใช่ไหมพอในชีวิตจริงจริงเนี่ยไอ้กุศลศีลมันเดินยากใช่ไหมในชีวิตจริงเนี่ยไม่รู้จะเดินยังไงคือจะทำให้มันเกิดยังไงในชีวิตจริงจเนี่ยเออเรารู้ไหมว่าในขนาดไหนศีลเกิดขนาดไหนศีลไม่เกิดแต่ตรงนี้นะแล้วเวลาเราไปรับศีลก็ดีสมาทานศีลโดยการนึกหรือโดยการสมาท า, า, านเป็นต้นก็ดีเนี่ย ก็จะให้มันเกิดยังไงถ้าเราเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วๆไปเนี่ยกุศลศีลมันจะเกิดนั่นขนาดไห น, นถ้ า, าสมมติเราสมาทานวีรัตใช่ไหมเราตั้งใจสมาทานด้วยเป่งวาจาทุกวันเนี่ย mm hmm. หรือเราเรานึกเมื่อเราเปล่งวาจาเบ็ดเสร็จแล้วแปลว่าศีนนั้นสมาทานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จบกิจกันเลยหรือเปล่า mm hmm. แล้วทํำยังไงตอนนี้เราจะทํำยังไ mm hmm. งไ จะ ท, ำทำํายังไงดี <ares> อเพราะหนึ่งมันจะมีสมาทานวีรัตสัมปต่าวิรัตจะไม่ดีอย่างพูดอยนถ้าพูดถึงในเรื่องตรงนี้สมาทานวิรัตเนี่ยถามว่าตัวสมาทานวิรัตเนี่ยในขณะนั้นจะตัววิรตีกับตัวเจตนาก็ก็แล้วแต่ใครจะผัดพัดดังแต่เป็นประธานนีแต่ถ้าเอาเอาวิรตีเพราะวิรตีเนี่ยมีอารมณ์สองการคืออารมณร์ที่เป็นปัจจุบันกับอารมณ์ที่เป็นอนาคตใช่ไหม ทีนี้ถ้าตัวสัมปตาวิรัตเนี่ยเขามีปัจจุบันครับมันต่างกันใช่ไหมถ้าสัมปตาวิรัตเป็นปัจจุบันสัมปตาวิรัตเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากสมาทานเลยขอยกตัวอย่างสัมปตาวิรัตก่อนถ้าสัมปตาวิรัตยกตัวอย่างเช่นถ้าโยมเนี่ยสมาทานวิรัตมันสมาทานเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแต่ในชีวิตจริงของโยมเนี่ยโยมไม่ได้มาไข ค, ควณว่าเออวันนี้เราสมาทานศสรมาเลยนะแต่พอไปเจอเหตุการณ์ในการที่จะร่วงละเมืดโยมกลับไม่คิดถึงในเรื่องของตนเองสมาทาน แต่ไปคิดในอีกเรื่องหนึ่งคิดว่าเออคนเช่นเราเนี่ยไม่ควรกระทําบาปเช่นนี้มาคิดเงี้ยนะเออไม่สมควรเลยที่เราจะไปพูดเท็จพูดส่อเสียดคําอยางเพลิดเพลินต้นหรือไม่สมควรเลยในกรณีที่เราจะฆ่ไม่สมควรเลยจะประกอบอาชีพเช่นนี้เมื่อคิดอย่างนี้เพราะเราก็ถูกสั่งสอนถูกอบรมมาดีแล้วเราก็เกิดความละอายเป็นต้นถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ออกงดเว้นนี่นะอันนี้เขาไม่เรียกสมาทานเวลาทั้งๆ ท, ที่สมาทานไปแล้วเพราะสมาทานไม่ได้เป็นปันจจัยเลย อันนี้เป็นอะไรเป็นสมปตาวิริยะนี้กลุ่มหนึ่งเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้สมาทานก็ไปตำลีในลักษณะอย่างนี้ตหลีในลักษณะเมื่อไปเจอไปประสบพบเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็าเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็งดเว้นได้โดยการราลึกถึงคุณธรรมของตนเองลึกถึงญาติลึกถึงพี่น้องลึกถึงตนเองจะเสียชื่อเสี ย, อยงอะไรก็แล้วแต่อารดับในลักษณะนี้ก็งดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายทางวาจาแล้วก็งดเว้นอาชีพที่มันมิจฉาชีพเป็นต้น ไอั น, นี้ก็เป็นสัมปะเจวิรัษิทั้ ง, งนั้นนี่เข้าใจประเด็นตรงนี้นะเส่วนสมาทานวิรัติมันเกิดยังไงมันก็เกิดขึ้นจากการที่ตนเองสมาทานแล้วกพลลึกอย่างที่ท่านยกตัวอย่างในกัมพีที่บอกว่าเมื่อตอนเองสมาทานเบ็ดเสร็จแล้วก็ไปทํากิจและในขณะเดียวกันก็เจองูมาลัดแล้วก็ดึงมีดออกมาแล้วตนเองก็ทําท่าจะจะตัดคองูนั่นนะทีนี้ตนเองก็มาเรลึกว่าการที่เรารับสินมาจากวเฏฏะที่มีสีลเป็นต้นเลย แล้วรับต่อหน้าท่านผู้มีศีลมาอย่างนี้แล้วเรามากระทําในลักษณะนี้ย่อมสมไม่สมควรเลยแล้วก็ระลึกถึงเอเราจะยอมสีะชีวิตเป็นต้นอะไรเนี้ยนะแล้วก็ระลึกถึงสมาทานที่ตนเองตั้งใจสมาทานมานั้นก็วางมีดลงอย่างเนี้ยในลักษณะอย่างเนี้ยนะอันนี้เป็นสมาทานที่ฉันเวลาเราไปประสบต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาก็เราลึกถึงตัวสมาทาน แล้วสมาธิวิรัติเป็นอุปนิสยประจัยเกณฑการนี้ทําให้ตนเองงดเว้นนะอันนี้เป็นสมาธิวิรัตินี่ประเด็นมันมั น, ม, นมันผูกโยงตามมาก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมาเถอะมามามาแนะนำนะบอกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยศีลมันขึ้นเองอันนี้ประเด็นหลักเลยประเด็นหอัใหญ่เลยใช่ไหมก็ศีลมันขึ้นเองเลยโดยชนิดที่ไม่ต้องมาสมาธิศีลอย่างนี้สิประเสริฐกขาว่าไงประเสริฐ สมาทานเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรพูดอย่างนี้แล้วขออภัยนะอันนี้ยืมยืมเขามาพูดที่ยืมมาเป็นเครื่องประกอบตรงนี้อันตรายอันตรายที่ที่ที่ที่ปฏิเสธสมาทานวิรัติแท้ที่จริงสมาทานวิรัตเนี่ยเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่มีกําลังมากที่มีกําลังมาทีนี้คนที่มีสมาทานวิรัติเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่มีกําลังไม่ได้คือมันเป็น บเป็นกลุ่มบุคคลที่ใค่ควรศีลไม่เป็นหรือไม่เห็นคุณของบุศลศีลไม่เห็นคุณของพรศาสดามันอย่างนี้นะถ้าลองมาพิจารณาว่าเราเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่รักษาวงรักษาตระกูลวงตระกูลมาเป็นเสร็จต่อมาคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็บอกม อ, อบทรัพย์อลไรทั้งวิชาความรู้ดีให้ก็ดีท่านทรัพย์สมบัติภายในและภายนอกเป็นตน้นที่หทีนี้ ทั้งข้อเอ่อทั้งทั้งสิ่งต่างๆที่พ่อแม่สอนไว้เนี่ยสอนไว้ในเรื่องข้อประพฤติเป็นต้นในหลักการดำเนินชีวิตก็ดีตลอดถึงทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้มาไว้ด้วยถ้าเราเห็นประโยชน์ตรงนั้นลูกบางคนก็เห็นคุณตรงนั้นเพรเห็นคุณเป็นเสร็จก็มาทําสิ่งที่พ่อแม่ให้มานั้นให้ดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เขาเรียกว่าคนประเภทนี้จะเจริญนะจะเจริญก็ได้คนกระทันหัวกระทันหัวที กุศลศีลเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ที่พระบรมศาสดามอบไว้มอบไว้ให้ให้สาวกของพระองค์ใช่ไหมได้บริโภคได้ใช้สอยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอามาเป็นเครื่องป้องกันในการที่จะไม่ให้ตนเองนั้นไปเกลื่อนกลนในใบยปุ่มในชั้นแรกระดับชั้นต่อไปก็คือว่าคือทํากายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกลนไม่ให้กระจัดกระจาย น, นั่นเลยไอ้มุมแรกนั่นเลยที่คําว่าสมาทานนางกับอุปทารณ า, าง ก็คือว่าอันระดับแรกก็คือว่ากุศลศีเนี่ยก็คือว่าทําให้ทําให้กายกรรมวิญญากรรมไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่จะคําว่าศีระนะเนี่ยไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายนี่ก็หมายความว่าถ้าปันติบาตทินาทานการมเมีสุมิชชาจารกูดขึ้นเนี่ยอันนี้แปลว่าเกลื่อนกล่นก็จะกระจายจาได้านของกายกรรมถ้าไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียเลยหรือถ้าพูดเท็จส่อเสียทำหยาบเพื่อเจือเป็นต้นอันนี้แปลว่าวิญกรรมนั้นเกลื่อนกล่นก็จะกระจายเนะ หรืออาชีพที่ผิดพลาดที่เขาเรียกว่าอาชีวะในวิบัติและนี่ก็เกลือนกลนกันะจายกระจายทั้งกายและทั้งวาจาอันนี้แปลว่าศีลณะไม่มีในขอ้อในมุมนี้แต่ถ้าศีลณะในด้านของคําว่าไม่ให้เกลื่อนกลไม่กระจัดกระจายเกิดขึ้นก็แปลว่ากายกรรมก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่บุพชีวนิการก็ชัดวจีกรรมก็คือไม่พูดเท็จไม่ส่อเสียงไม่คาหยาบไม่เพ้อเจ้อเป็นต้นแล้วก็อาชีพก็บริสุทธินี่เขาเรียกว่าถึงพร้อมด้วยกายกรรมวจีกรรม ใช่ไและอาชีพที่บริสุทธิ์เขาเรียกถึงพร้อมด้วยกายกรรมวิมีกรรมและอาชีพที่บริสุทธิ์อย่างนี้เขาเรียกว่าศีลละคันอันประเสริฐมันเกิดขึ้นในกลุ่มน้องปาฏิโมกทั้งวรศีมีแอลว่าไม่เกินกนไม่กระจัดกระจ า, จ า, จาอันระดับแรกอีกระดับหนึ่งก็คืออุปาทานังก็คือว่าเป็นเป็นฐานรองรับคุณธรรมมือสูงก็แปลว่าอะไรก็แปลว่า อินทรีห้าพลาห้าสติปฐานสี่อินทรีห้าพลาห้าพุทชงเจ็ดแล้วก็อเยมามีองแตกใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยจะต้องมีที่รองรับจะต้องมีที่รองรับที่รองรับอันนั้นก็คือตัวกุศลศีลที่กุศลศีลเนี่ยถ้าจะเป็นที่รองรับได้แปลว่ากุศลศีลต้องพัฒ น, นานาะถ้ากุศลศีลต้องเป็นปัจจัยแก่อวิปติสารอาวิบติสารต้องเป็นปัจจัยแก่プาโม ปราโมต้องเป็นปัจจัยแก่ปีติปีติต้องเป็นปัจจัยแก่ปัจสถานีปัจสถานีต้องเป็นปัจจัยแก่ความสุขสุขเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิถึงจะเป็นฐานของปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ให้สังเกต ด, ดู ว, ว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศรัทธาศรัทธาเลยมากท่านก็จะเชื่อมลงมาสีนั่นแหละวุริยะสติสมาธินี่คือกลุ่มสมาธินะปัญญาก็คือปัญญาแม้ในอินทรีห้าในพระหก็คือศีลสมาธิปัญญาไนดะ้แหละ เพราะศรัทธาก็ไปเชื่อมโยงอยู่กับปฏิโมกสงวรศีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเขาเป็นบรทะฐานองค์สีไอตัววิทยาจริงๆก็คืออาชีวปริสุทธิ์สีอย่างนี้ก็ยังได้เลยใช่ไหมสติก็อินทรีย์สงวรสีแล้วก็เป็นสมาธิก็คือตัวสมมาธิอย่างนี้ก็ยังได้และตัวปัญญาคือปัญญาสรุปก็คือสีสมาธิปัญญานี่ยแหละก็คืออินทรีย์ห้าท่าห้าโพชฌงเจ็ดนะหรืยมมั่มีองค์แปดคุณธรรมเบื้องสูงต่างๆเหล่านี้จะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีกุศลศีเป็นฐาน รองรับแต่กุศรศีลที่จะเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงนั้นกุศลศีลนั้นจะต้องเป็นกุศลศีลที่เกิดขึ้นจากการฝุดใช่ไหมคือมันเกิดขึ้นจนชํนนานาญในกระแสขันนั่นแล้วถ้าไม่เกิดขึ้นจนคล่องแคล่วนี่นะมันจะไปรองรับอะไรได้ลำพังตัวเขาเองเขาก็จะงดีแย่อยู่แล้วใช่ไหมคือมันอ่อนแอเต็มทนอ่ะมันไม่ค่อยเกิดเลยในชีวิตจริงเนี่ยบางทีว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์และสังขาร ลำเมิดสัตว์และสังขารมาไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมแค่เราไปคิดพัทุสลายเขาดุจพยาบาทสัตว์และสังขารอันนี้มันกับกุศลศีเเลเริ่มเสียแล้วเริ่มเสียแล้วนะแค่เราไปไปอภิชาและโทมานาทมันเกิดขึ้นกับสัตว์และสังขารตัวนี้อักุศลศีลมันก็เริ่มเดือบไปแล้วเพราะว่าโทสานี่มันเป็นปฏิปักษ์แต่ศีลกุศลแทนแต่ศีลกุศลมันเกิดขึ้นโทสาไม่เกิดไงอันนี้ก็เป็นข้อบ่องบอกอ๋อ กุศลศีลมันไม่เดินใช่ไหมตาว่าเรายังมีความโกรธที่มันเกิดขึ้นเป็นอัธยาศัยต่อเนื่องอยู่เนี่ยอันนั้นมองบอกอะไรมองบอกว่ากุศลศีลไม่ค่อยเกิดเพอาะจะมองเห็นใช่ไหมตรงนี้ทีนี้ถามว่าเออแล้วนั่นเราจะเกี่ยวข้องเราจะเจริญกุศลศีลยังไงในชีวิตจริงเ อ, อในชีวิตจริงจะเกี่ยวจะจะเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆนหนึ่งถ้าเราโกรธ ว, วัตถุเออโกรธสองขางมั้ย โกรธสัตว์และสังขารโกรธสัตว์เนก ร, กรบุคคลนี่ถ้าเราไม่พอใจใครพบเนี่ยอันนั้นมันจะเป็นปัจจัยการรุ่งระเมิดการฏิบัติเป็นต้นตรงนี้นี่ต้องป้องกันแหละอันนี้มันเป็นเชื้อเลยใช่ไหมต้องรีบขจัดป้องกันเพราะเออว่ากรณีที่เราเราจะน้อมเปนการปฏิทุสลายสัตว์และสังขารโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราขนาดบุคคลเรายังโกรธได้สัตว์เลก็กๆน้อยๆเนีย่ยยิ่ไม่ต้องพูดถึงวันๆหนึน่งบทีเราเจตนาที่จะฆ่าก็ยอะ พระเจ้าบอกแม้อย่ามดดำอย่ามดแดงแล้วก็ไม่ควรยิ่งจะไปฆ่านหการทําร้ายสัตว์อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าบัญญัชิดเลยอนุประวาโทอนุปคาโตะการพูดร้ายกแล้วการพูดร้ายการทําร้ายการไม่พูดร้ายการไม่ทําร้ายการไม่พูดร้ายก็คืออย่าไปด่าเขาใช่ไหมการอย่าไปด่าเขาแล้วก็อย่าไปชักจูงคนอื่นให้ด่าเขาการไม่ทําร้ายก็คืออย่าไปทําร้ายเอย่าชักจวงคนอื่นให้ไปทําร้ายรับ แล้วก็ปาดิมโมกเจะสังวรสงรสมารวมในปา ร, ร์ตี้เนี่ยอันนั้นเป็นท่านสอนท่าที่จะออกประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่ทีเ่เวรวงท่านจะสอนเนี่ยลักษณะก็จะแสดงให้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วในเอกรณีที่ในขณะที่เกิดความหงุดหิดเกิดความขุ่นเคืองเกิดขึ้นอันนั้นเป็นปัจจัยในการที่จะไปะรุ่นละมือหรือเกิดความรหนัดเกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินก็คือปัจจัยในการที่จะเริ่มเจละเมิดสิ่งเป็นต้นเหล่เนี้นะฉะนั้นเวลาอกุศลธรรม ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแตว่าเวลาท่านสอนในเรื่องของสติสมัมปชัญญะในฐานะเจตแปลว่าอะไรนะแปลว่าในตัวกุศลศีลท่านดีแล้วก็เหมือนกับที่ว่าเริ่มจากจับหยาบแล้วต่อไปก็เริ่มพัฒนาสู่ความละเอียดจริงๆขึ้นไปนี่จะเป็นไปในลักษณะนี้ทีนี้เวลาถ้าเรารักษาศีลไม่ระลึกนี่เนียมันเกี่กยวกับเป็นความอึดอัดเพราะไม่เห็นคุณของกุศลศีล มันจะเป็นอัดทันทีเลยสังเกตโดยเอาละไปรับศีลแล้วก็ไม่ไม่เอามาไข่ควรแล้วแต่ถ้ามาไข่ควรแต่ละข้อเนี่ยว่าถ้าเราสามารถกุศลศีลมันเกิดขึ้นมาปุ๊บในขณะที่เราระลึกนี่เนี่ยคือมันสามารถที่จะระลึกได้เกีวกับวัตถุสิ่งของของบุคคลทั้งหลายหรือเกี่ยวับสัตว์และสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กๆจากบุคคลหนึ่งไม่โกรธเริ่มทําได้เริ่มเจริญเมตตานะ ในขณะที่เราจะเดินเมตตาเป็นการเกื้อปูนต่อกุศลและศีลข้อแรกเป็นอย่างดีเลยนัเข้านัาเข้าก็เห็นสัตว์เล็กๆเราก็เริ่ม ร, ร, รู้จักที่จะเมตตารู้จักจะมดเว้นได้แต่เนี้ยนัเข้าไอ้ตรงนี้นี่เองมันจะไปกลายเป็นศีลของเราทุกข้อเลยพราะโอ้ศีลของเราบริสุทธิ์เราได้ดีแล้วเนาะศีลของเราบริสุทธิ์เนาะเราได้ทําตามถ้าทําคําสอนของพระเจ้าที่ผู้ช้าคุณของพระเจ้าใยการรักษาให้พระเจ้ามีมดเป็นแต่หน้าที่บาศ คือการการงดเว้นจากการศาสตราคืออาวุธเป็นต้นเหใ น, ในี้ในการฆ่าในการฟันเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมที่เราก็จะสมาทานฟานาฏิบาตหรือการงดเว้นจากการฆ่าการการเกี่ยวกับเรื่องของอัจฉริทั้งหลายคือเราจะงดเว้นใช่ไหมเพื่อเดินตามรอยของป้าอาหัอันเพื่อเดินเพื่อบูชาคุณของพะระพุทธเจ้าแล้วก็ใข่คนไปเงี้ยพอไข่คนไปเงี้เวลาเราเห็นสัพท์และสังขารทั้งหลายต่างเหล่า น, นี้มันก็พิจารณาลงนะ อันนี้เป็นอย่างเงี้ยนะถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆ อ, อัธยาศัยก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเคยชินแต่ถ้าไม่ไข้ควรนะมันก็จะอยู่เงี้ยไม่พัฒนาเลยนะกุศลศีลจะไม่พัฒนาทีานี้ถ้าเราจะโกรธใครหรือจะหงุดหงิกใครเป็นต้นเหล่านี้มันก็เริ่มจะมีการเมตตาก็จะเริ่มเดินแล้วก็ไข้ควรใน่กุศลศีลไปด้วยพุ้งเี้เราได้ดีแล้วใช่ไหมศีลเราบริสุทธิ์แล้วได้บูชาคุณของผู้ได้เจ้าโดยการด้วยการปฏิบัติตามกุศลศีลข้อนี้อันนี้คือการปฏิบัติมันเดินแล้ว ตอนนี้นะนี่การปฏิบัติมันเดินแบบนี้ถ้าถามว่าเออเดี๋ยวเราไปเราจะรีบทำเร่งเร่งทํางานตอนนี้เครียดก่อนจะจะไปหลบไปปฏิบัติเนีเราจะคิดกันอย่างนี้ตลอดไงแต่ในชีวิตจริงกับไม่ใคร่ควรใช่ไหมไม่ใข้ควรในการที่จะทําให้กุศลสิน้นมันเกิดจริงๆอนะ่ะถ้าใคร่ควรในการที่จะทําให้กุศลสิน้นเกิดจริงๆในขณะนั้นนะ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าการปฏิบัตินะ่ะมันเดินแล้วทีนี้ในะขณะที่มีความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วปัญญาตา่างใช่ไหม ตัวปัญญาคือความเข้าใจดังนัที่เข้ามามาคไขทวนในการที่จะทําให้กุศลศีลเดินบางทีเนี่ยบางทีมันเกิดจากการฟังธรรมเนี่ยเพราะปัญญาเนี่ยปัญญาอุปการละศีลเราใยไหมนี่การเราฟังธรรมจนเข้าใจเนี่ยพอเข้าใจเป็ดเสร็จแล้วที่เรารักษาศีลฟุ๊บมันมาจากศรัทธาใช่ไหมมาจากศรัทธานะั้นเป็นตัวเกื้อหนุนถ้าศรัทธาหมดศีลมันก็ไม่อยู่แล้วไม่อยากจะรักษาก็ไม่รู้จะรักษาไปทำไม ทีน like hmm. so er ob ี้พอศรัทธาเกิดขึ้นมาเป็ดเสร็จใช่ไหมแล้วก็น้องก็หากุศลศีลนะเข้าจะเข้าเริ่มฟังพระธรรมพอฟังพระธรรมเนี่ยจากความเข้าใจก็เริ่มมามาเดินทําให้กุศลศีลเดินเข้าสู่กระแสขันไปหมดเพราะกุศลศีลเป็นนามเป็นมหากุศลนั่นเององค์ธรรมของศีลคือเจตนาเยอะไหมองค์ธรรมของศีลก็คือเจตสิกก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะแล้วก็อภิชอนาพิชา ปาาัจยบาตรก็สองมาทิฏฐินี่องค์ธรรมขอ ง, งสีแล้วก็ตัววิริยะตัวสติอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวปัญญาเนี้ยก็คือองค์ธรรมขอ ง, งสีนั่นเองก็ามาไ้ครวนใช่ไหมพอามาไ้ควนเบ็ดเสร็จแล้วทีนี้กุศลสีมันก็เริ่มจะเดินจะคือการมีอา ร, รมณ์อารมณ์เนี่ยอารมณ์ปัจจัยที่อุปกรณ์การเก่กุศลสีแปลว่าหนึ่งอารมณ์ทางทาวารตาใช่ไหมสีอะสีต่างๆที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้กุศลสีเกิดได้ไหม เริ่มคิดแล้วเสียงเป็นปัจจัยแก่กุศลศีลได้ไหมกลิ่นเป็นปัจจัยแก่กุศลศีลเป็นต้นได้ไหยเนี่ยรสสัมผัสแล้วก็ทำมาลมโดยเฉพาะรำมาลมทั้งหลายยังไงที sun, are, ่จิตใจเราคิดน <t ục> really so ึกถึงเรื okay, so şimdi, think, ่องราวต่างๆถึงบุคคลต่างๆก็มาไข่ครวรเนี่ยจะไข่ควรที่จะอุปการละก็เป็นอารมณปัจจัยแก่กุศลได้ไมันเ็ในข้ออะไรรู้ไหมมันข้อว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลในข้อนั้นเลยยังไงก็คือตัวกุศลศีลนั่นแหละ เป็นปัจจัยแก่ก hmm. ุศลศีลหลังๆกุศลศีลก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลศีลหลังๆที่นี่กุศลศีลก่อนๆจะมาเป็นปัจจัยแก่กุศลศีลหลังๆได้นั้นน่ยก็แปลว่าตัวกุศลตัวกุศลจิตที่เกิดหลังๆต้องปาลวกุศลศีลแล้วก็น้อมบูชาบุญของพระเจ้าในการรักษาศีลดังนี้คือถ้าหากว่าในขณะที่เรารักษาถ้าไม่มีข้อหมายนะถ้าไม่มีจุดหมายปลายทางหรือไม่มีบุคคลที่เราเคารพบูชาเนี่ย การรักษาครูโศฬสีนะ่ะมันจะไม่ค่อยเข้มข้นก็หมายความว่าตัวจะไม่ได้ค่อยเป็นปัจจัยแก่ความโมหะกิจิสักเท่าไหร่แต่ที่เราเห็นคุณว่าเออเราจะบูชาคุณของท่านที่เราประกาศเนี่ยไหมเราประกาศหนึ่งสารนคมแปลว่าเราประกาศแล้วแล้วประกาศกว่าพุทธังสารนังกระามิเป็นต้นเหล่านี้ข้าพเจ้าขอถึงพระเจ้าก็าทำว่าสงเป็นที่พึ่งเป็นที่เลิก เ, เป็นที่กําจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตเนี่ยเราประกาศอย่างนี้แล้วใช่ไหมทีนี้เมื่อประกาศไปแล้วเนี่ยแปลว่ า, วาเอาแล้สารนคมเราก็ ไม่เศร้หมองแล้วก็เราระลึกว่าเออเราเนี่ยเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาชัดเจนแล้วที่พอชัดเจนขึ้นมาพอถึงขั้นของบุศรศีลเอาเราบูชาใครเราถึงบูชาพระพุทธเจ้าที่บูชาพระพุทธเจ้าก็คือว่าเอาอริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าฝากไว้แล้วเอามาให้มันเกิดขึ้นในกระแสขันให้ได้เพราะว่าตัวอริยทรัพย์คือกุศลศีลมันก็คือกุศลจิตเยอะไหมถ้ากุศลจิตไม่เกิดศีลก็ไม่เกิด อกุศลเกิดเนี่ยไม่ใช่กุศลศีลและเป็นอกุศลศีลไปก็ไม่ใช่ศีลที่ควรเจริญแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะทํากุศลจิตให้เกิดขึ้นนานๆได้อย่างไรนอกจากการระลึกในศีลานุสติก็คือเอาศีลที่เกิดก่อนๆนั่นแหละเป็นอนุสติเป็นอารามณ์นานเป็นอารามณ์น้าปัจจัย น, นั่นเองแก่กุศลศีลที่เกิดล้าหลังทีนี้คําว่าตัวกุศลศีลที่เกิดก่อนที่เกิดก่อนๆน้นเน่ยที่เป็นอดีตเนี่ย จะเป็นอารมณมนะปัจจัยแก่สีมันเป็นอารมณมนะปัจจัยธรรมดาก็ได้เป็นอารมณ์มานะทีปดีก็ได้เป็นอาร ม, า น, ารม น, นูปนิสัย ก, ก็ะดัใช่ไหมก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเป็นอารมณ์แบบธรรมดาคิดแล้วเฉย ๆ, ๆก็ได้ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรก็ได้ใช่ไหมจะเป็นอารมณ์แบบตื่นเต้นก็ได้ถ้าเราน้อมบูชาคุณของพระเจ้าแล้วก็การที่เราเห็นคุณของศีเนี่ยเอื้อง่ายความไม่เดือดร้อนใจนี่ใช่ไหมเพราะเพราะพิจารณาเบ็ดเสร็จที่เรปลอดภัยทุก เพราะคนที่รักษาศีลนั่นเขามีความสุขมีความสุขที่เขาปลอดภัยปลอดภัยตรงไหนหนึ่งปลอดภัยในปัจจุบันเนี่งเขาไม่ได้ประสบภเวรภัยและประการต่อไปก็คืออา น, นิสงส์ที่เราจะได้อา น, นิสงส์ที่จะได้และในที่สุดจริงๆก็จะเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้อนสุดพอใครควรว่าเออเราได้ดีแล้วใช่ไหมเป็นบุญของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอสื่อของเราบริสุทธิ์เรามีเป็นโบหารนะเป็นโบหานะ เป็นอัตาเนีเอตตาอะไรอย่างกระแสขันนี้ได้ดีแล้วใช่ไหมกลุ่มของกลุ <k <k ่มของขันน ja> mm ี um ้ได้ดีแน่นอนแล้วเพราะว่ามีสีมันมาเกิดถึงต่อเนื่องน้ำหนักเข้าจะเข้าไปจะมีกําลังมากขึ้นเพื่อระลึกนี่นะก็ระลึกไปในรักแต่ในหลวงงั้นถ้าหากไม่ระลึกอย่างนี้ไม่เอาไม่เอามาไข่ควรไม่มาพิจารณาไม่ทําโยนิโสมนัิการในี่คืส่วนแรกี้หมดสวซั่วครับ เราต้องตัวอย่างีท er in ี่้มาที่เราต้อสินีมาแบบมมดตองงรง้คนเขึ้นมาด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะโดยกาเรียนันที่คนท้ที่วเป็นคนนหนแล้วเพื่อเด็กทุกมไม่ออกค่แ่อะไนีข้อสอข้อสาข้อท ข้อ่ข้อของนยพอเลมากยกเลการเงแล้วีส่องานไมสเพราะฉะนั้นเพื่อจะชำระเงินก็ควอย่างสมิธการน้องรลก็ควอย่างนดื่มคือสดในอีอย่างถ้าสมุนโญงใช้ยงก็ใช้ทีีอ่ะ้งไม่ดีอ่ะไี่เดี๋ยวจะใช้ที่ีจ้าอย่างนั่งรถไปม่วาก็สบายใจขึ้นก็ใช้ที่ีง่ายอ่ ตอนนี้ที่ที่อยากให้พิจารณาอย่างท่พกี่เรื่อายรับนแบกแขอคยคือเรือม่งราวแมันเกินมันไม่ช่อย่างเกายก็เลยมาทำอะไรเรื่ององเงินสีองแล้วก็ยังของแล้วก็นสีชอบปุ๊บอะไรแบบันมันมัม่ได้เจอเหตการเฉพาะหน้าของตอนนี้แล้วมันก็เลยไม่ค่อยเหมือนแบบยังนึกวิพากษ์คนอยากัง เอาตัว อ, อย่างเ<ม>วลาให้เวลานั่งรถใส่เว้นเวลานั่งรถใส่ถามว่าปารลบไอการปารลบหนึ่งปารลบอดีตก็ได้ใช่ไหมในปา ร, ปรลบอดีตก็ได้แล้วก็เห็นอารมณ์ที่มันเกิด ข, ขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็นึกถึงอดีตที่เราสมาทานไว้แล้วมันเว้นก็ได้ใช่ไหมมันจะมีสองการลักษณะหนึ่งอดีตก็ได้สองแล้วก็ปารลบในขณะที่อารมณ์ที่กำลังปรากฏใช่ไหมอารมณ์ที่กําลังปรากฏครบแล้วก็จะนึกถึงการสมาทาน พอพอพอนึกปุ๊บแล้วพงวเว้นพงศ์วเว้นเสเสร็จแล้วก็คิดต่อคิดต่อในลักษณะว่าเออเนี่ยกุศลศีลของเราไม่ด่างไม่ขาดไม่พร้อยไม่ทะลุเงี้ยนะเราได้ดีนะในกุศลศีลบริสุทธิ์เออได้บูชาคุณของพระเจ้าแล้วไดยปฏิบัติบูชาแล้วอันนี้เขาเรียกปฏิบัติบูชาใช่ไหมเวลาในขณะที่กุศลศีลเดี๋ยท like ีนี้ถามว่าปัจจัยอ่ะถ้าปัจจัยจะมันเกี่ยวข้องอยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเกิดเออยกตัวอย่างนะเราเข้าไปเดิน เดินเห็นพุบไปเดินดูของพุบนี่สมมุติเอาเอ่ำข้อที่สองเราเห็นวัตถุสิ่งของก็พปบเนี่ยแค่เราจะหยิบเนี่ยหรือเราดูพุบเนี่ยเราน้อมอแค่เราจะไม่ให้คนรู้ ก, ก็ได้แค่จะหยิบขึ้นโดยเจตนาชอบเราจะเอานียกของเคลื่อนขึ้นมานี่แปลว่าสิลข้อสองขาดแล้วมันขาดง่ายๆนะสนิใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พอเราพิจารณาถ้าเป็นพระนี่นะท่านจะบอกว่า เวลาสมมติของของโยมนี่นะอะนาฬิกาอะไรของจริงๆเนี่ยถ้าอาตมาจะจับเนี่ยอาตมาต้องพิจรารณาเหมือนกับจับงูนะขนาดนั้นเลยนะต้องพิจรารณาเหมือนกับเราจะจับอสสาวพิษเนี่ยวันจะฉกกลับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามาพิจรารณาปุ๊บเนี่ยอไข้ควรเบ็ดเสร็จแล้ถ้าจะจับก็วางจุดให้ถูกอันนี้เป็นวัตถุที่มีเจ้าของใช่ไหม ทำมนตศิการไม่ดีถ้ายกขึ้นมาบางคนคื้นนิดเหนอนะแปลว่าของนั้นตีราคาขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยว ก, กระทบเสียงก็แอบาดรดีเนี่ยนะทีนี้เราไอ้คละว่ า, วาก็เหมือนไงเดี๋ยวก็ไปไข้ควนันของเยอะเยอะหมดที่มันไม่ใช่ของเราเยอะเยอะหมดเลยเยอะมันพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยขนาดไม่ต้องจับเลยยังไพ่ควันก่อนได้แล้ ว, วนเนี่ยวัตถุชิ้นนี้ไม่ใช่ของเรานะแค่เราดูอย่างนี้เสร็ดเสร็จเ น, นความอยากมันจะเกิดขึ้นมามืา่อไาความอยากความต้องการมี่จะเกิดขึ้น ถ้าเราอามือไปจับหรือไปยกไปลูกไปทําแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยเพียงน้องแค่เป็นของเรานิดเดียวในกุศลศีลของเราก็จะเสียหายทันทีเออนี่ยโดยการที่เราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพอเราพิจรญญารณาเนโอ้กุศลศีลของเราไปสุทนะเรามีสติและลึกถั่งอย่างเงี้ยพราะเราสมาทานกุศลศีลวันวันเช้านี่เองตัวสมาทานวิรัตจะเป็นอุปการะแกกุศลศีลเราเองไม่ได้มีจเจตนาที่จะละคะนา ถึงไม่มีปาฏิหาริย์แต่เราก็ร ะ, ะลึกให้เป็นกุศลนะใช่เร า, าเราล ะ, ละลึกได้ทันทีเพราะมันอยู่ที่เราจะให้มันเพื่อคูณต่อการจเจริญกุศลได้อย่างไงเราไม่ต้องไอหมุดปรณีที่เราเห็นบุคคลเนี่ยเราไม่ปฏิทุสลายเขาเราไม่ฆ่าเขาเห็นสัตว์ทั้งหลายเราไม่ปฏิทุสลายเขาไม่ฆ่าเขาศีลของเราบริรสุทธิ์แล้วเราได้ดีแล้วใช่ไหมศีลเราได้ดีแล้วเราได้บูชาคุณของพระเจ้าด้วยข้อมดเว้นจากบาปนาดีบาปแล้วแม้เดิ นักไปกว่านั้นอีกก็คือเราได้เจริญไม่กระทั่งเมตตาด้วยใช่ไหมเราได้กุศลธทําคุณลธทําที่สูงสูงขึ้นยริงๆขึ้นไปที่จะเป็นอุปการะกิการที่จะแวดล้อมจะไม่สิ้นบริสุทธิ์มากขึ้นด้วยเราได้เจริญเมตตาให้กับศัพท์และสังขารเหล่านี้ด้วยแล้วหนับไปกว่านั้นอีกบางทีเนี่ยในขนาดสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเรายังไม่เกรงเลยอ่ะคนมาทําเก้าอี้เราเปื่อนๆยังยิ้มด่าเพราะเราไม่ตายเรื่อดีๆใช่ไหมมาจากกุศลศีลจริงๆเนี่ย ทีนี้กรณีทีข้อที่สามปุ๊บเนี่ยเราเราแค่เห็นบุคคลที่เพศตรงเดินข้ามไถ่ควรแล้วก็พิจารณาทั้งทั้งที่เราไม่ได้มีจิตคิดอย่างนี้นแต่เราก็ไถ่ควรเพื่อให้กุศลเดินเป็นช่องทางในการเดินของกุศลใช่ไหมแม้แต่ในข้อของในกรณีของการงดเว้นจากการพูดแค่ส่อเสียดคาหยาบแล้วเพื่อเจือแล้วเกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้นนี้แล้วเราไม่พูดเท่นอ้นใช่ไหม แล้วไม่พูดส่อเสียไม่พูดทำอยางให้พูดเพ้อเื่อโอ้โหกุศลศีลในข้อนี้ก็ดีไม่ใช่ว่าโอ้โหเราไม่ได้ลงมือทํานะกุศลจะไม่แต่การไข้ควรการระลึกอย่างเนี้กุศลศีลมันจะมีกําลังขึ้นด้วยการแบบนี้มันจะมีกําลังขึ้นถ้าไม่ไข่ควรอย่างนี้ถามว่าจะมีกําลังได้ไหมมันก็มีกําลังไม่ได้ก็เหมือนการออกกําลังกายเรารู้โอ้โหวิธีการออกกําลังกายได้กําลังแต่เราไม่เคยไปออกกําลังกายมันจะได้ ใช่ไหมไม่ได้เลยฮอันนี้ก็เหมือนการกุศลศีลไม่เคยเดิ น, นเข้าสู่กระแสจิตเลยอะ่ะแต่ว่าแม้เรียนรู้มาหมดใช่ไหมภานารีบาตเวเ้นเจากการฆ่าประปอยแช่ไว้แั้นนะหมดเวเด้นนี้ <c ười> ใช่ไหมประอยแช่ไว้แนะั้น <c ười> ก็เหมือนที่อะไรมากคยยกตัวอย่างนี้อย่างกรณีที่นักนักลงทุนทั้งหลา ย, ยาต่างๆเนี่ยเงินที่เขาหมุนนะที่เศรษฐกิจสติเอาแช่ไว้ไมีประโยชน์แล้ว แช่ไว้ก็ไม่ต่างอะไรก็เหมือนปืนเหมือนมีดเนาะมีดหรือปืนเราไปวางก็ไว้ไม่ใช่ไม่ค้อนจะมก็คือไม่ค้อนไม่ได้ใช้ประโยชน์เนยไม่ได้พูดเห็นไหอยจอนเราไปขาวช่ไเราไปซื้อของแล้วเราไปเลือกของอ่ะเดเลื่อนที่อ๋อเจตนาเจตนาคละเอไม่ไม่อไม่เจตนาเจตนาจะยกจะเคลื่อนงไม่เป็นไรหรอก จะยกไปเพื่อแต่ถ้าเจตนาเอาหรือเพล่าโอเคใช่พอว่าจริงๆก็คือหยิบยกอะไรกันปกติแล้วต้องดูอันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะเขาเขาให้จับได้ให้จับต้องได้แต่ถ้าต้องห้ามจับแล้วไปจับที่นี่ก็ผิดบางทีก็เขียนว่าห้ามจับแล้วแปลกดีนะที่ที่กุฏิอาะทำมาจะมีเขาเรียกว่าเป็นหายหรือ เปหาก็นานแล้วหาไปถ้าท่านจะเห็นนั่นก็เลยเอาเลยไปติดทำไมท่านก็เขียนไหมห้ามเปิดในนั้นเันีอะไรแล้วใครมานั่งมาเคิร์มหน้ามาเมาก็จะมองมองไอ้หายไปนั้นนะเพราะมีคนไปเขียนว่าห้ามเปิดมาที่อะไรก็มองอะไมาก็ไม่เขียนแย่เลยแล้วบางองมาอยู่ตังนานนะก็ยังสงสัยอยู่นี่้าบางองมาเขาก็ไม่แอบถาม มันอะไรเนี่ยจ่ายเนี่ยนีเป็นมนุษย์นี่เป็นยังไอยู่ขออะไรสะท้อนข้ามหลังอยากจะโดนก็นแหลกเพราะ่าตาเหมือนอะไรนะตาเหมือนงูทนะี่งูจริงๆนะไอ้ตาเหมือนงูเนี่ยจริงๆพูดพูดพูดผลจะพาดพทิงไม่ัึงเหตทีก็พูดเหตุบางครั้งก็พูดเหตุพลาพิงไม่ถึงผล น, นะ ก็คือว่าพูดถึงตาแต่ภาพิงไม่ถึงกิเลสที่อาศัยตาใช่ไหมพูดแล้ยบอกมันมันอยากจด้ดตาตาตานี่มันหมือนงูซอกแรกเป็ชอบดูโอ้ไม่ได้มันจะอะไ่จะูมเหมือนอัไรเหมือนงูยืนหุ่นเล่นเหมือนอะไ นะเหมืนสุนัขบ้านนี่สุนบ้านกายสิทธิ์ทธิจตตักายนสุนัตสินิจงอไม่ทำบูชารู้ันนี้แล้วทำไมถึงอยากดูจริงๆขาท่านไขควรในวิสุทมรที่ท่านบอกทุกนย่าไว้ท่านต้องการให้เห็นโทษนเห็นโทษของกายจมูกเป็นายใจเหมือนอะไรดีใจหมันลิงเลย ไม่ไมีไม่อยู่นิ่งเลยอันนี้พอจะเข้าใจนะในเรื่องการในเรื่องของบุครลสีนี้หมดแล้วนะโนสเตรนะ๋ยวเข้าเรื่องนี้ได้นะมีอะไรต่อบไหมตรงนี้ก็คือทรหกอย่างเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ไล่มาตามลำดับจนถึงว่าอริยสาวกเนะี่ย ประกอบด้วยความเพียรเป็นเครื่องตื่น อ, อย่างไรพืออริยาสาวกในพระธรรมวินัยเนี้นี่หมายถึงเวลากลางวันก็ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากเครื่องกั้นด้วยการเดินนั่งการเวลากลางคืนก็ในปฐมยามเนี่ยก็ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากเครื่องกั้นจิต ด, ด้วยการเดินด้วยการนั่งปฐมยามก็คือตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสี่นุ่มเรียกปฐมยาม เวลากลางคืนในมัดชิมายามสเแ็จสิหาไซยาหแล้วก็นอนเท้าเปลื้องเท้ามีสติสัพชัยญนอันนี้ก็หมายถึงอันนี้ทําอย่างพรทมธในศาสดาเลยเขาเรียกว่าเหมือนมนสิการนึงอันที่จะลุกขึ้นแล้วพอปัดชิมายามก็ลุกขึ้นชาระจิตให้บริสุทธิ์จากเครื่องกัณฑจิตก็คือจากนิวรณ์ทั้งหลายการเดินการนั่งอย่างนี้แหละอริยส า, าวกชื่อว่าผู้กอบความเพียรเป็นเครื่องตื่ ไม่ทำได้นี้ไม่ธรรมดาเลยชีวิตเราชีวิตโดยคนโดยทั่วไปเนี่ยบางคนก็ถามครที่ถามว่าท่านอยู่องค์เดียวท่านไม่เหงาเมืไม่เหงาเอเข้าไปมันนั่งคิดกันในพวกกันนะคิดเรื่องแปลกๆอยท่านอยู่ได้ติดหนึ่งเลยได้ไหม เขาบอกว่ามองดูท่านนะยอมสงสารท่านนี้แปลกแปอันนี้เวลาพระเวลาเจอกันพระก็คุยกันสงสารโยมมัไม่รู้ใครน่าสงสารเวลาบทีเป็นญาติบางเป็นอะไรบ้างมันก็มาเข้ามามาทก็แปลก คือเขามองว่าพระเนี่ยเวลาอยู่เงียบเงียบนี่ยนะพระน่าจะหงดหงิดน่าดูใช่ไหมถ้าอยู่แบบงดหงิดก็น่าจะทุกข์จริงๆนี่ใช่ไหมใช่คือถ้าอยู่แบบงดหงิดหรือไม่มีกรรมฐานไม่มีพระธรรมของพระเจ้าเป็นเครื่องตื่อยู่ไม่ได้หรอกมนุษย์นี่อยู่ไม่ได้ใช่ไหมในหลายคนน่ยยอมลองอยู่คนเดียวดูสิอยู่ได้ไหมอยู่แบบล้วอยู่คนเดียวใช่คนแล้วเกิดผ่องสายแล้วมีความสุขด้วยถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขได้ ที่ทำไม่ได้ง่ายยังไม่กว่าจะทำอย่างนี้ได้ยู่ไธรรมดาต้องฝึกวิธีคิดเยอะๆใหม่ๆวัใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็ไปขคอ้องกลางกางหัวหรวหัวหัวหัวไัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวาัวหัวหัวหังหัวหัวหัวหัเหัวหัวหัวหัอหัวหัเราวหาวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหมวหัวหัวหัวหัวหัมหัหัวหหัวหัวหัวหัวหัวหัวัวหัหัวหััวหัวหัวหัวหัวหนวหัวหรวหัวหัวหัววหัววหัวหัวหัวหัวหัววหัววหัวหัวหัวหว คือได้มีโอกาสอยู่กับพระพุทธเจ้าใช่ไหมอยู่กับพระพุทธเจ้ามันกบว่าออถ้าอยู่กับพระเจ้าก็แปลว่าหนึ่งจะต้องมีอะไรมีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ามีสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้ามีอุโบสถมีอะไรต่างต่างเหล่านี้ใช่ไหมมีเจดีย์มีอุโบสถมีต้นพระศรีมหาโพรามีแรงต่างอัีสัญลักษณ์ที่จะต้องมีแล้วใช่ไหมในการที่จะเวลาท่านจะระลึกพุทธคุณถ้านี่นะหรือครวญทั่วไปก็จะต้องเป็นอย่างหนึ่ง พระรหัสทั้งหลายก็ดีเนี่ยตลอดถึงภาษาวกสืบต่อกันมาเนี่ยเวลาท่านจะออกบินทบาทเนี่ยกิจของท่านก็ต้องทําในร่างไหนว่าหนึ่งในปัดชิมายามเนี่ยในช่วงปัดชิมายามก่อนจะบินทะบาต ท, ท่านเรียไปที่ต้นที่พระไอ้ที่พระธาตุคดีที่ถ้าไม่มีก็ อ, อุโบโสถหรือมาอย่างนั้นก็คือต้อนวสีมหาโพธิ์ไปเช่นไปปัดไปกว่าแล้วก็ทํำไปทักสีถ้าท่านมนาสิกากนกำมาฐานอะไรอยู่สมมุติว่า เอมนุิการในการเจริญเกี่ยวกับในเรื่องของจาระนุสติก็ดีศีลานุสติเป็นต้นก็ดนะีเอามาไข้ควรอย่ที่ได้บอกนะหรือกรรมฐานใดๆอยู่อาจจะไข้ควรอียาวดบับบหรือสมบัชัญญ้าบาปหรือปฏิกรูมนุิการบบบหรือพว่ารมสูตรใดสูตรหนึ่งเอามาตรึกเอามาไข้ควรนะมีอย่างอะไอย่างมัง้สาธยายก็ได้สาธยายไปเพื่อจะได้เป็นปัจจัยการรู้แจ้งอัตถธรรมะเป็นต้นเหล่านี้ก็ะจะทําให้เกิดปลาหมุนปีติประจิตเนี่ย หรือเอามาตรึกก็ได้ที่ตนเองชํานาญข้อมองแล้วเนี่ยเอามาตรึกใคขควรไปตามลําดับเป็นตน้นก็ว่าไปหรือกรรมฐานหมวดใดกรรมไข ค, ควรพิจารณาถ้าเดินไปที่ตพระเจดีหรือต้นพระศรีมาโพกรรมฐานนั้นต้องอาวางไวนะ้โอุปมาเหมือนหนึ่งคนถือของไปเวลาจะขึ้นสูรลานเดชเชิงบันไดก็ต้องของนั้นวางไวท้ที่หอที่ที่ บ, บันไดแล้วก็เวลาเข้าไปก็ต้องเจริญนะเจริญพุท ธ, ธานุสิตเพื่อถนัดในคุณของพระเจ้าท่านวางหลักของท่านไว้อย่างนั้นเลยนะ ตามตามอริยบทเพนี่นี่เป็นอย่างนั้นท่านก็จะต้องไปมนุิยการในการเจริญพุทธคุณถือว่าพุทธคุณในการไข่คนเงี่ยเน้นไว้แต่ท่านคนนั้นเจริญพุทธคุณเป็นอัตฉริยะใส่ก็ไม่ต้องวางพุทธคุณวะก็เดินขึ้นไปในลางประเกดีลานโพเป็นต้นแล้วก็มาทิกัณฐเจริญพุทธคุณในการเจริญในการที่ไปเช็ดปัดขวากถูเป็นต้นก็พุทธคุณก็เป็นไปในกระแสใจของของท่านคนนั้นนี่ก็ตามอย่างนี้นะ แล้วหลังจากนั้นเบ็เสร็จก็ประทัดสินเบ็เสร็จกลับมาแล้วก็ถือบาตรถืออะไรกันก er <Yes>, ็ออกกินธานถ้ากรรมฐานอะไรที่ตัวเองบริหารก็บริหารกรรมฐานนั้นไปใครควรไปหรือจะสาธยายพระธรรมพระสูตรใดสูตรหนึ่งใครควรไปเรื่อยๆก็ว่าไปตามแต่จับอยู่โดยการเว้นอย่างกรรมฐานไม่ควรไม่ควรนี่ยนะเถ้าศึกษาเป็นนะใจมันจะใจมันยัเหงาเลยหรือไม่ไม่เหงาที่ยเหงาได้ไงก็มีความสุขมากใช่ไหม จะมีความสุขมากแล้วก็นี้กรณีก็เน้นไปดันั้นขนาดปลายใจก็จะหลุดเรื่อยใหม่ๆกรรมฐานก็จะหลุดจากใจเรื่อยไปเห็นอะไรก็เลยสุดดุเอาไปเริ่มไข้ควรใหม่ก็จะเป็นอย่างเนี้ก็จะฝุดเพราะฝึกเป็นอัธยาศัยและกรรมฐานมันจะเดินแม้แต่การแสดงว่าทำใช่ไหมแม้แต่การแสดงว่าทำเนี่ยท่านท่านวางกรรมฐานไว้ก็จริงแต่การที่ท่านปารบกรรมฐานอยู่นั้นน่ะเพราะชื่อว่าว่าธรรมเทศานานั้นที่จะด้อยกว่ากรรมฐานไม่มี มก็คือตอนเนี้ท่านก็จะเริญอะไรจะเจริญภาวนาบุญสนขณะที่แสดงธรรมเนี่ยท่านจ ะ, จะเจริญภาวนาบุญลนท่านนะฉะนั้นเวลาท่านปราลบพักคำอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียนษีลสหายคําสอนของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นนะท่านจเจริญบุญสนของท่านระดับภาวนาบุญสนนี่จะต้องให้เข้าใจอยู่นะมแต่ต้องตรึกเป็นใครควรเป็นใช่ไหมต้องตึกเป็ น, ป น, ไไปนและใครควรเป็นในขณะนั้นเหมือนยมเนี่ยวเวลาฟังก็ทำํำยอมก็เจริญภาวนาบุญสนนี้่นะก็จะใครควรเป็นลักษณะนี้ ทุกคนที่ทําอย่างเนี้หนึ่งต้องการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บูชาคุณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อจะสืบทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยที่เรามาฟังธรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะไม่ใช่กิจกรรมธรรมดาเพราะเป็นกิจกรรมในการเจริญกุศลระดับภาวนากุศลและอัตฉรยะสัยที่ฟังธรรมอย่างเนี้ยจะเป็นอุปนิสัยประจัยในการบรรลุนะเป็นประจัยในการบรรลุเลย แั้สูตต่างๆที่เราฟังไปตามลําดับเนี่ยเป็นปัจจัยในการแทงตลอดเป็นปัจจัยการมันลุแต่ว่าพบไหนนันแล้วแต่บุงคนมันแล้วแต่ตรงเนี้ยโอ้โหเราเป๋เราเป๋ปุายกว่าจะได้ไปที่ยุ่งเลยคนอื่นก็ไปกันหมดก็แย่ๆจนสมัยก่อนไาจารยมาสอนศึกษามีบางส่วนบางทีดูประวัติของภาษาพวก บางองค์นี่โหคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วอะไรมาศึกษาไปมากรุณนาเกินนี่เราก็ไปห่วงกรุ่นาท่านท่านมาวุ้นท่านปจะได้บรรลุเป็นองค์สุดท้ายเย้นเราไปมัวสงสารท่านลืมตัวเองก็ตั้งนานเคยเป็นไหมเอียอ่านศึกษาไปเอะไปลืมตัวเองดิเนี่ยเย็นคนนี่งน่าสงสารนี่จะไหมถ้าขันตัวเองน่าสงสารนี่จะได้สงสารขันคนที่ทขททขเขาบรรลุแล้ว เหม alloy, ือนแต่ก่อนที่เราศึกษาใหม่ๆเนี่ยเราเป็นห่วงที่สุดเป็นห่วงพระพุทธเจ้าเป็นห่วงพระธรรมเป็นห่วงพระสอใช่ไหมหวงศาสนาเพราะั้นนะเป็นห่วงมากที่จริงเป็นอย่งันจริงๆพอเขาพูดโอ้โหอยู่แต่เราออมาคิดก็มาป๋ายใหญ่เลยโอ้โหเดือดร้อนใจใหญะเลยพอมานั่งคิดๆก็มานั่งคิดพอพูดก็ดีก็ทำไปใช่ไหมทันหลอดหมดแล้ว ใช่ไหมเออที่เรารักษาศ า, าสนาก็คือต้องการที่จะรักษาไว้เพื่อเลื่กระแสขันของตั้งหลักให้ถูกถ้าตั้งหลักไม่ถูกเดี๋ยวจะไปกันอย่นี้เราก็เรต้องนึกถึงตรงไหนเราว่านูปวาทัวรนูเบคาทัวแต่นักประกาศทำต้องนึกถึงตรงนั้นเยอะๆหนึ่งองไม่ว่าร้ายใช่ไหคืออย่าไปว่าร้ายเขาจะประกาศคําสอนพระเจ้าแล้วก็ประกาศไป สองอย่าไปแนะนําให้คนอื่นเขาว่านอกจากตนเองไม่ว่าแล้วจะ่าไปแนะนําให้คนอื่นจะไปว่าไปเปล่งวาจาที่ไม่ชอบมาราคนนใช่ไหมถ้าไปแนะนำเรื่องมันผิดพุเจ้าวางหลักไว้ในการประกาศการทำนี่อย่าว่าร้ายตัวเองไปอย่าไปว่าร้ายครับคืออย่าไปกล่าวว่จีทุจริตจะกล่าวก็ทำสองก็อย่าไปแนะนําคนอื่นประการที่ต่อมาก็คืออย่าไปทาร้าย แล้วก็จะแนะนำให้คนอู่นทำได้แล้วก็สำรวมในปฏติโมกเห็นไหมนะที่ลักษณะของผู้ประกาศก็คือหนึ่งบอกว่าป้าติโมกเคจะสังว่โลงละมาตันยิตาอย่าทัดกระสินเอตังจะสยนาสนางเอตังพิทธานิสาสนางนี้เป็นคําสอนของพระเจ้าทั้งหลายนะพราะงั้นนะที่พระเจ้าทั้งหลายต้อง้งในอดีตก็ดีปัจจุบันในอนาคตก็ดีก็จะบอกแบบเนี้ยว่าคือจะประกาศภาษาศาสนากันประกาศได้มันถูกแล้วก็อุดเดียนในเก่าเลยเป็น เล่นประหลมกันแรงๆแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหนึ่งประโยชน์ในสมัยก่อนนี่นะให้ต้องเกตี่ดูพระที่เขาประกาศศาสนาในผลเนี่ยโดยมากเขาอะไรนะวิชาสา 6, มเอาพินยาหกใช่ไหมปฏิสัมพิทายานสี่เล่นกับท่านไหวไหม <laughs> โ้ยเล่นไม่ไหวขนาดพยานหน้าไ้ท่านเล่นงงแล้วโองงบาลาวหมดเลยช่หหรือคนประเภทมิจฉาทิถี แล้วความเพียรนั้นเ ง, งสูงทั้งเกลือด้วยไหที่ว่าตอนที่พระจันทวัฒวชีกับพระสิคววาตอนที่วอกว่าพระจันทวัฒวชีกับพระสิค า, าวาเนี่ยตอนนั้นเน่ะเขามีการทําทุกติยาสังคยนากันโอ้โหทำจัดการกับอ阿拉ชีที่ขึ้นมาเป็นเสี้ยนน้าของพระศาสนาสองโลกนี้ไปเข้าสมอัติหลบฉวยเมาโอแต่นี้ท่านกำลังพิจารณาใครควรดูนี้พวกเราจะต้องบริญีพานไปหมดแล้วนี่ จะทำยังไงดีใช่ไหมท่านก็พิจารณาอิป า, าสสาก็ศาสนาของพระเจ้าไวอีกประมาณสองรอยกว่าปีนี้ยังมีภัยเกิดขึ้นอีกแล้วในยุค ข, ของพระเจ้าโศมหาราชเนี่ยท่านก็พิจารณาดูเอาใครควรดูท่าในชมพูทวีปไม่มีภัยเลยที่จะสามารถที่จะรองรับเอ า, าศาสนาอยู่ได้แล้วก็ใครควรเอาใครดีนะนู้นนึกไปถึงพรมติสสพรมนู้นเท่านมีปัญญาใช่ไหมท่านก็เอาแล้วแต่า ก, กามจะวางราักฐานศาสนาในอนาคตหน่อย ก็ขึ้นไปขึ้นไปก็ไปไปคุยกับพรหมบอกว่าเนี่ยให้ไปเกิดเพื่อจะรักษาสืบทอดศาสนาหน่อยเชอะนี่พรหมท่านก็ท่านมีใจ ย, ยินดีที่จะทําฌานเบื้องสูงขึ้นไปอ่ะใช่ไหมแปลว่าท่านไปอยู่ไม่เป็นพรหมที่ประมาทนะเป็นพรหมนี่จะเจริ่มฌานอกุศลนี่จะให้สูงสูงยิ่ ง, งขึ้นไปหนึ่งพระอรหันต์มากันเยอะแยะเลยมหมเก่งเด็ดเก่งคนของพระอรหันต์แล้วก็นีเ้เป็นบุญใหญ่เนี่ย คนรับทันทีเลยแต่ว่ามีข้อแม่นะให้ใครจะป้องกันท่านะใช่ไหมเพราะที่ท่านเกี่ยวข้องก็คือพวกวิชาทิฏฐิที่ท่านจะไปเกิดได้เนี่ยก็ต้องไปเกิดกับพรามณีที่เป็นวิชาทิฏฐิใช่ไหมเออถ้ามีคนรับรองมัหน้าไปเกิดแต่ตอนที่เราจะเกิดมีคนไปต่อรองเราไม่มีแบบนี้นะพวกกันไม่มีเลยนะท่าอย่างนี้โอ้ยน่าชื่นใจอ่ะใช่ไหมโอ้ยเนี่ยผมจะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีใครรับรองไหมมีพระอรหันต์ตัสองสามรูปรับรองไหม ถ้เขาบอกไม่ไม่ตจะหวงแล้วลู ก, ลกเดี๋ยวมีพระอาหารหันต์รับรองรับรองก็แปลว่าโอปลอดภัยอ่ะไม่ไปอบายแล้วถ้าพระอาหารหันต์รับรองใช่ไหมต้มองคิดดูทีว่าพอนั่นไปเสร็จก็กลับมาไปเส็จสมที่ประชุมกันก็เรียกจากพระจันทวครีกับพระสิขาวมาบอกว่านี่ยบอกว่าสงจะลงกับลงลงลงธนกรรมท่านแล้วท่านอยากจะทำน้อมรับหรือประสงค์ใช่ไหมน้อมรับอธนกรรมก็แปลว่าเนี่ย ต่อไปเนี่ยปิส พ, พรมพจะมาถือปฏิสนธิในครั้งของนางพรหมณีเนี่ยท่านต้องไปดูแลเนี่ยคือต้องเอาเด็กคนนี้มาบวชเอามาเรียนธรรมะเอามาบวชเนรแล้วก็ให้ศึกษาพระตรปิโกแต่ฉันแล้วเบดเสร็จเนจนสา ม, มารถเออเขาไมได้บรรลุเขาได้บรรลุเบ็ดเสร็จฮะถึงจะหมดภารกิจสองโลกคือคือเออนี่ยลงธนกรรมเนี่ยมถึงจะหมดว่าไหมนะท่านก็ต้องน้อมรับใช่ไหม พวกเอเดพาเหล่านั้นก็พากันไปริพนิพานพากันนิพานไปตามอายุขัยของนั่นท่านก่อนที่ท่านจะปรินิพานนะอู้ผีติท่านอูท่านได้วางรากฐานศาสนากิจของท่านทําเสร็จแล้วใช่ไหมนอกจากที่ท่านจะทากิจของตนเองเสร็จเสร็จแปลว่ารากฐานของศาสนาท่านปูพรมไม่เรียบร้อยแล้วท่านวางแผนไว้สามร้อยปีอ่ะสองรอยกว่าปีในนั้นพวกเราวางแผนอะไรบางๆน่าเี้นกันนะท่านวางแผนยาวมากนะทุั้นทีนี้ ก็อยู่ต่อมาทีเนี้ยก็เอาอะไรทีเนี้ยพอติดสะพมมาถือปฏิสนธิท่านก็รู้แล้วใช่ไหมเพราะท่านมีปัญญาต่อไอ้พระศิะวะก็ต้องทําทําหน้าที่ก่อนทำหน้าที่ทยังไงอ๋ทอทํำยังไงจะต้องทําให้บ้านนีิสิตาเริ่มไปบินธนบัตรเริ่มบเริ่มไ ป, มไปบินทุกวันทุกวันเขาไม่พูดด้วยหอก <c oughs> ลองดิลองลองมานั่งพิจารณาดูกิจที่ท่านทํามันทายากมากะ ทุกวันที่ต้องไปเนะี่ยสามร้อยหสิบห้าวันเป็นหนึ่งปีไปทุกวันไปไม่ได้ข้าวนะี่ยก็ไปยืนอยู่ให้เขาเห็น <c oughs> ยืนจนพอแก่ฟัน ค, ความที่ว่าเขาจะเห็น เ, นเสร็จร <c oughs> แล้วไปก็ทําอยู่อย่างเงี้ยยืนอยู่อย่างเงี้ยเจ็ดปีผ่านไปนะจนเด็กโตเจ็ดปีเด็กเริ่มโตเด็กนี่โตขึ้นมาในเจ็ดแปดปีในเด็กจบไตรเพศนนะ <c oughs> เด็กนี้เด็กีจบไตรเพศเลยชั่วนานมากชนานาญคำคีไตรเพศมาก ไปๆมามาก็มีอยู่วันหนึ่งที่บอกว่านางคำม น, นีก็บอกโอ้นีมนพระเถระคำหน้าชืบ้านนี้อย่ามายืนอีกแล้ว <c oughs> ต้องไม่ใส่บาตรต้องไม่สัตยทางแล <c oughs> ท่านก็ปีติเกินเกิดกลางหมดปลาหมลาหมดเกิดพองใช้ยิ่งหน้าตา ย, ยิ้มแย้แบบมเลยคำที่เป็นสามีเอจใจจัิงนี่ผิดปกติแล้วเนี่ยผ่านบ้านเห็นผ้ารวบเนี้ยยิ้มอย่างนี้แสดงว่า เล่นของในบ้านแล้วไปเจ้าพระพุทธเจ้าเลยถามเลยถามโอ้ท่านได้แล้วมันได้หรือว่าเรียบร้อยกลับไปไปถามภรรยาโอ้ไปโกธรยาไปให้เลยครับาเลยบอกไม่ได้ให้เราได้แต่คำพูดไปโอ้โหอีกวันนี้ก็มาชี้หน้าเลยบอกว่าเออท่านโกหกเป็นสมณีย์ผมบอกว่าเราไม่โกหกท่านโกหกเมื่อวานท่านก็บอกได้คือได้คําพูดนี้เมาอธิบายเรา ใช้อุณินในใจโอ้โหขนาดได้คำพูดท่านยังเห็นที่คุณขนาดนี้เป็นิมนต์ตั้งแต่นั้นมาเริ่มศรัทธาแล้วเห็นไหมพอเริ่มศรัทธาไปเสร็จไปอยู่วันหนึ่งก็นิมนต์เข้าไปไม่ให้รับท่านวันนั้นท่านท่านก็เริ่มใช้ฤทธิ์แล้วท้องท่านที่ท่านมีฤทธิ์ท่านไม่ใช้ท่านเริ่มใช้แล้วในเรื่องนิสัอาสนะหายเกลี้ยงหมดเหลืออาสนะเด็กเด็กคนที่จบใจแพทที่วันนั้นนี่ท่านต้องการตัวนี่แหละตอนนั้นเด็กไม่อยู่อ๋อเขาต้องไปพระเก็ต้องนั่งอาสนะเขาต้องนั่งไปเสร็ เด็กเก็บมาว่าเด็โกรธมากถามว่าท่านนั่งอาสนะของคนจบใตเพศท่านรู้ปไตรเพศยร์หรือเาถามเลยท่านี่ <c oughs> เพราะเบสเสร็จต้องสนธนาถามถามลระพระท่านจะตอบได้หมดท่านชานาญเหมือนท่านจบมาก่อนแล้วอีกอย่างท่านมีนิโรธติปฏิสัมพิทานะขนาดคนมีนิโรธติปฏิสัมพิทาท่านยังนิ่งเงียบขนาดนั้นนะเป็นเจ็ดปีถ้ายัา ง, งเรา น, นี่โอ้โหลายหมดใช่ไหมความอดทนเนี่ย ถ้าไม่ทําอย่างนั้นมันไม่ได้อะท่านต้องดูอัธยาศัยท่านให้ได้ให้เกิดศรัทธาจริงๆนไม่ได้จะเกิดขึ้นใน่างการบีบบังคับอีกเพราะถามเป็นไปตามลําดับแล้วท่านก็ถามเอาบกหมดแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเราจะถามท่านบ้างจะได้ไหมใช่ไหมว่าได้ท่านก็ถามเลยท่านไม่เอาพิ่นัยถามท่านไม่เอาพระสูตรถามท่านเอาพี่ธรรมถามเลยนะท่านเอาจิตใยมกเลยถามแล้วว่าจิตของบุคคลใด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 นี่คาถาเนี่ยสังเกตดิแม้แต่แม้แต่พระพุทธศาสาเนี่ยก็โดนคาถาเรียก บ, บัณฑิตเนี่ยเข้าบวชเดี๋ยวนี้อาจะมาเวลาเจอโยมบางคนลองท่องในบางไม่เห็นอยากบวชเลยแปลกท่องทั้งหลายครับท่องท่องยังไงก็เห็นเฉยเฉยเลยแปลนี้ท่านว่างั้นแสดงว่าบัณฑิตไม่ค่อยมีนะใช่ั้ม ถ้าลราไปท่องดูดิในกระษาที่เรท่องเรียกบรรณัณฑิตไม่ได้ท่องไงก็เรียกไม่ได้ตลาดลองดูละแต่ใ น, นสมัยก่อนๆเนี่ยกรถานนี้ท่องไงใครฟังแล้วโอตามอยากเรียนเลยตอนนี้ลองไปท่องยังไงไม่อยากเรียนลยนะ แ, รรแล้วแปลกบัณฑิตเริ่มหายไม่มาเลยเรียกในข่าเรียกบรรณัณฑิตลงไปข่าเดี๋ยวนี้มาบวชแปลกๆในวะงการนะงักงักมาบวชกันเยอะๆหมดเลยนะโอเคทีบางทีโอ้ยพ่อแม่เอาไม่ไหวแล้ว โอเคที่เอาไม่ไหวแล้วทัญญาก็ไม่ค่อยดีแล้วทำามาฝากไว้พ่อน้าดูลบบาก้าพามองหน้ากันทำไงแล้วก็สาสนาเป็นเรื่องลึกซึ้งใช่ไหมเต้ยให้คนอย่างนี้หกสายหน้าเป็นหว่วงอยู่ยหัวดีๆก็ไ่เรียนแพทย์ <c oughs> <c oughs> าองลงมาอะไรดีเราโ่นเนย่ยเรียนกฎหมายเรียนบัญชีบ้างดีดิสวัสอีอมอเป็นวิศวะ ไม่มเรียนศาสนาอะไมแเรียนแล้วโอ้โอ้โอเลองลองลงม า, มาหน่อยรามาเป็นครู <c oughs> ยุ่มเลยที่ไปไหนไม่รอดก็พักเข้าวัดพักเข้าวัดเ <c oughs> ต็มหมดเล ย, ยัลวะไม่รู้จะสอนอะไรกันเลยน่าเป็นครูเดี๋ยวเรียวัดเจระ้ า, านแต่ราแบก็ดี่เหมือนกันนั่ง่ิดเลยจะ รังเยอะๆจะได้ไปหาอยู่เ น, นี่ยลักษณะเนี้ยต่อมาก็เข้ามาบวชใช่ไหมเพราะเอาเข้ามาบวชไปเสร็จก็เริ่มสองกเริ่มสอนไปเสร็จท่านท่านให้ได้บรรลุแค่โสดบาบันก่อนเนาะถ้าบอกอุทัยบรรลุก่อนเดี๋ยวเกิดจะเกิดจะเรื่องความเพียรอย่างนี้เรื่องการค้นขวา้าจะน้อยท่านท่านไม่ไม่ให้บรรลุสูงแจะต่อมาให้ศึกษา ต่อพอายุประมาณสักสิบหกวันสิบหก ป, ป, ปีท่านท่านจบจิตติสงฆ์ท่านนะท่านก็ส่เไยหาพระจันทวักีฉันบอกท่นพอแล้วท่านก็คำท่านลุดแล้วใช่ไหมเลยองหนึ่งรับช่วงต่อสิบหกปีโอ้โหหนักมากนะที่จะจะจะรับบัณฑิตคนหนึ่งก็จะรักษาพระศาสนาเพื่อเป็นประธานในการทําปฏิญาสังขยนา แล้วต่อมาพระจารย์เทวชีจะรับต่อก็ให้ศึกษาแล้ววิธีเขารับในศิษย์กันในยุคก่อนนี่นะพอไปถึงเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะสอนไปนะครับไปหาอาจารย์เนี่ยให้ไปทํายังไงทําไมตั้งน้ําฉันน้ําใช้ใช่ไหมไม้มชําระควนันเป็นต้นเหล่านี้ต้องไปเหลาไปทำอะไรต่างสมัยโบรานี้เป็นกั น, นไปทําเบ็ดเสร็จเขาไปทําไปวางเขาไว้พระจาจารย์เทวชีกท็ทิ้งเนี่ยท่านขนดนั้นเลยนะ ท่านก็ท่านต้องการอยากจะดูว่ือวทิศปฏิบัติของสมณีนี่ถูกต้องเป็นต้นนี้นี่ส่วจริงๆต่อมาเขท่านก็สอนแล้วก็พบเป็นพระก็ต่อมาก็ได้บรรเป็นพระราห์แล้วท่านก็สิริพานิชไปนี่แปลว่าท่านท่านกรรมของท่านที่ท่านถูกส่งลงทษนี่ก็แล้วต่อมาในยุคตัดุญ้สังคยาหนาก็เนี่ยในยุคนั้นคนก็มาปอหมวดกันเยอะหมวดใช่ไหมหกหมื่นกว่าลูก วันก่อนนี่เรามาเคยเล่าเล่าอีกครั้งนที่ว่ามีฤาษีใช่ไหมฤาษี่มาที่วัดมันนั่งเอามายืนจ้องจ้องไอแสงตะวันจ้องจ้องได้เป็นครึ่งครึ่งวันนะไอเดชท้ ท, ท, ที่อยู่ที่ด้วยท่านมาแล้วก็ออกไปคุยจะถามเออมาทัวรอะไรนั่นก็จะอยากบวชคงจะอยาก บ, บวชแล้ ว, แ ล, วแล้วก็ถือเพ่งคัดมากนะก็จะมีกดเล็กๆอยู่อั น, น เวลากดแขวนก็ไว้นี่นะแกแกเนี่ยผลตกไม่อยู่ในกรดนะนั่นนงกรรมฐานตากฝนได้เลยท้าพระเลยพระอยู่ในกรดไ <c> ป <oughs> ยุ่งไรงเนี้ยเสร็จแล้วอยู่แล้วต้องมักน้อยด้วยใช่ไหมเขาบอกจะทํามาอยู่านี้สิบกว่าปีแล้วแต่ใจกันน้องปฏิบัติแบบดื้อสีแต่พอไปถามอีเรจะมาบวชแล้วรู้คําสอนไหมอ๋อทองไม่ฟังหมดเลยตอนนี้เอาเลยสิ สติปัญฐานแกก็รู้แต่ก็รู้อย่างแกรู้เนี่ยไม่ใช่รู้แบบที่เรารู้เนแบบี่แกก็รู้แบบแกรู้อ่ะไม่ว่าจะสวดมนบทไหนเรื่องอะไรต่างๆแกบอกแกฟังฟังมาแต่ฟังเบเสร็จนะแกไปไปฏิบัติอีกแมวนึงฟังเบเสร็จแกไปไปฏิบัติอีกแมวนึงแกบอกถ้าบวชเสร็จแล้วแกก็จะเข้าป่าไม่ปฏิบัติแบบเนี้ยนั่งนึกโอ้าทาให้นึกถึงตัดหญ้สังขยาณ์ใช่ไหมในช่วงตติยสังขยาณ์เนี่ยลาบสการะ ในของกลุ่มทีละีทั้งหลายเนี่ยมันหดตัวลงเยอะแต่นี้กลุ่มนี้ก็เข้ามาเพราะเข้ามาในเสร็จก็ประพฤติแปลกแปกพวกประเภทจ้องฟ้าจ้องดินจ้องตะวันก็มีประเภทที่ทรมาร์ร่างกายก็มีประเภทที่ประพฤติปฏิบัติแบบพวกอาชุกขั้งหลายเป็นตน้นก็เยอะแ ย, ะ, ยะไปหมดเน่ยจนในที่สุดจริงๆเนี่ยพระโมคคิริบุตริสาเทระเนี่ยก็หนีถนาดพระรามหนีี่ยบอกไ ม, ไม่มีการลงโบสถกันเป็ น, ปนตั้งเจ็ดปี ไม่มีการลงโบสวดเพราะพระไม่บริสุทธิ์ไปไปมาก็ในที่สุดจริงๆก็เป็นพระเจ้าศพในที่สุดจริงก็ไปนิมนต์พระโมคคิริบุตรมาแล้วก็มาก็มาศึกษาคําสอนของพระที่เหล่านี้แล้วก็มาค่อยๆ ค, คัดออกไปคัดออกได้หกหมื่นละูกเนี่ยนะแล้วในกรณีอย่า ง, อ ย, างอย่างที่ตอนเนี้ยสมมตินะถ้าอย่างคนที่ที่อย่างที่อาจามาเห็นดูถ้าเขาเข้ามาบวชเราให้เขานั่งกรรมฐานก็นั่งในทีละแปดชั่วโมงเป็นสิบชั่วโมงเลย ถามว่าถ้าคนไม่มีพื้นฐานว่าทำจะศรัท ธ, ธานะยุ่งไหมใช่ไหมแล้วเขาก็กล่าวได้เอาการเวทนาจิตธรรมเขาพูดเนเอาเลยสิตวเนี้ยแต่เขาปฏิบัติแบบนี้อันนี้เขาก็บอกนี่เขาปฏิบัติถึกต้องแล้วลเขาเพ่งก่อนเอามุรจะกินมื้อเดียวอย่างที่เข้าใจกันใช่ไหม เ, เขากินไม่ใช่มื้อเดียวอย่างเดียกินน้อยไปอีกแล้วไม่กินเนื้อสัตว์เขาอีกจบเลยด้วย โหน่ากลัวแล้วในเรื่องการทําอะไรที่มันก้าวแปลกๆเพราะมันถ้าเอาแล้วเราจะไว้อิตายีในยุคนี้ใช่ไหมไปสู้อะไรยังไงลาบากเลยนี่เราเป็นสิ่งที่เราศึกษามาทําคําสอนของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ควรจะ พ, พิจิตพิจารณานี่กี่โมงเออดูสับปริดจะทำนิดนึงนะใกล้จะหมดเวลาดล้วจ้ะ ท่านพระนุสแสดงตรงนี้บอกว่ามหานามอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัพพุริสธรรมจิตประการอย่างไรนะคืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อการตัดสู้ดีของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนั้นเพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตัดสู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม <c oughs> ก็คือจำแนกสติปัฏฐานเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้ท่านกล่าวสัพพริสธรรมคือประการแรกคือศรัทธาประการที่สองคือเป็นผู้มีหิริละอายต่อกายยะทุจริตรวจีทเจริตรมโนโทเจริตละอายต่อ บ, บาปกุศลธรรมอันลามกหิรินี้เป็นประทัดฐานของกุศลศีลเห็นไหมฉะนั้นแต่ตัวหิริโอตตปะรุนแรงเนี่ยศีลดีนั่นกายยทุจริตรวจีทุจริตเป็นต้นเหล่านี้ย ประการต่อมาคืออดตะปะคือความสะดุ้งกลัวต่อการย่ทุจริตวิจิตทุจริตและก็มโนทุจริตแล้วก็สะดุ้งกลัวต่อบาปอัุษรธรรมนลามกประการที่สี่เป็นป้งหูสูตรทรงจําสิ่งที่ได้สดับแล้วมีสําคัญเลยทรงใจ้องหูสูตเนี่ยสีสังสมสิ่งที่ได้สดับแล้วทําเหล่าใดงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุด คือการกล่าวในเรื่องของงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกาลางในที่สุดเนี่ยบางแห่งท่านจะใช้คําว่าศีลสมถะวิปัสนาในงามในเบื้องต้นอรยมรรงามในท้ำกลางผลก็นิพพานงามในที่สุดบางทีท่านก็จะกล่าวว่าศีลเนี่ยนะศีลเน่ยงามในเบื้องต้นสมถาวิปัสนามากคเนยในถ้ำกลางนี่ก็ได้ผลใลนิพพานในที่สุดมีสามสี่ใน พรหมจารย์ท้องทั้งอัฏฐะและพ ย, ยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำที่เห็นปานนั้นอันท่านได้สดับมามากทรงจําไว้ได้ค่องปากเพ่งด้วยใจก็แทงตลอดได้ดีด้วยชิดถีๆๆๆที่ถี่ปัญญาไอ้คำว่าทรงจํามาได้มากแล้วก็ทรงจําไว้สดับมากแล้วก็ทรงจําดได้สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ระบบเนี่ยเวลาคล่องปากเนี่ยเขาก็จะทรงจํากันโดยการตอบมาระยะหลังจริงๆนะเขาก็ยังใช้ระบบมุขปาฐะแต่เขาจะทวนกันใช้ทวนกันครูอาจารย์เวลาไปนั่งกันอย่างเนี้ย แล้วก็จะทวนพร้อมๆกันเลยแล้วภาษาท่ายายพร้อมกันปุ๊บปั๊บๆเงี้ยนะแต่มาระยะหลังการศึกษาก็ทําทแบบนี้ปาหายหายหายไปแล้วเข้าแล้วเข้าดิคล่องปากไม่มีแล้ว ถ, ถ้าถ้าคล่องปากไม่ได้ก็จําขึ้นใจลําบา ก, กนเนี้ยนะตรงนี้นะบางทีนนสมัยก่อนอาละมาไปไปไปอยู่ที่นึงก็ไปเจอพระอยู่เจอ่ใ้ป่าวัดที่แบบท่านยอมก็บอกเออเนี่ยให้ดัสอนกรรมฐานให้อาละมาอ่ะ สอนไปสอนมาก็มาก็อยู่สักเจ็ดวันแปดวันนี้ก็แปลกๆไปไปมาก็ถามอือมีเอาสูตรไหนมาสอนก็นำตอบท่านก็บอกว่านี่อาจารย์ท่านสอนว่าให้กาหนดอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้แต่ออที่ผมเรียนมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอาเลยถึงก็เริ่มไปไปมาก็เริ่มเอาใจมันจบมาเกิดสักกระชื่ทนรู้ไปไปมาก็ เ, กเกลยบอสูรตรนี้เห็นไหเดือนมากเดือนนี้เขาปฏิบัติกันเล่นไม่จําคําสอนเลยเลยนี่เป็นปัญหานี้ คืออาจารย์บอกมาอย่างไรถ้าจะมากำหนดอย่างนี้นพอมากาหนดเส็จเสร็จอยงนั้นดิฉันไม่ได้ไปตรวจสอบดูเลยใช่ไหมมันก็เลยกลายไปที่เป็นของอาจารย์หรือของพระเจ้าไปหมดเเป็นลัที่อาจารย์ไปเยอะทั้งหมดเลยก็ดีนี่คือไม่ไม่ไม่ไม่คล่องปากแล้วก็ไม่ขึ้นใจทรงจำไม่ได้แล้วก็เพพอพ อ, พอไม่พอไม่คล่องปากมันก็เพ่งด้วยใจไม่ได้พอเพ่งด้วยใจไม่ได้ใช่ไหม เพ่งดยจิตโดยสมาธิด้วยสิ่งต่างๆโดยโดยสติเป็นต้นไม่ได้ก็รีแทงตลอดไม่ได้ด้วยปัญญาใช่ไหมไอ้ปัญญาที่ไปรู้แจ้งอัดะรู้แจ้งธรรมะโยรู้แจ้งอะไรตรงนี้ไอ้สิ่งที่รู้เลยคนละอย่างมาที่พุทธเจ้ารู้ที่คนละทางมันการต่อมาเป็นผู้ปาราบความเคียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อทํากุศลธรรมนี่ถึงพร้อมมีความเข้มแข็ง ม, ม, มีความบากบานันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ท่อธุระในกุศลเราทำอยู่สีกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลเนี่นยทิแล้ว่าท่อธุระแปลว่าทิ้งแวาประมาทเนะี่ยเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนระลึกได้เนี่ยตามระลึกได้ตรงนี้ไปดูบาลีก็อย่างนี้ซึ่งกิจการที่ทำไว้แล้วนานแล้วและถ้อยคำที่พูดคือกายกรรมวจีกรรมที่ทำไว้นานนะท่านเอามาระลึกเป็นกรรมฐานเนี่ยนะท่านเอามาระลึกได้แล้วก็ต้องตามร ะ, ะลึกได้ ถ้าปัจจุบันระ ย, ยุ่งเลยนะแบบนี้นไม่รู้จะเจริญยังไงเลยตามลึกถึงจิตที่ทำคำที่พูดไม่นานนี่นี่เป็นจิตของสตินะที่ที่ระลึกเนะี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าสมมติปัจจุบันเนี่ยจเจริญสีราญุสติไม่ได้ห้ามเลยข้าพเจาถามเดยวนี้ห้ามเพราะสีรานุสติเอาสิ่งที่เป็นอดีตมารลึกเห็นไหมจา้าคำนุสติยิ่งจอบใหญ่พูดคำนุสติยิ่งเป็นยุ่งเป็นเรื่องเลยเดวนี้มันจะไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะระลึกยังไงใช่ไหมห้ามระลึกอดีตเนี่ยยุ่งนะ จะยุ่งเลยเข้า่าลบอดีตเป็นเรื่องปกติท่านท่านไม่ห้ามหรอกอดีตเนี่ยท่านห้ามว่าห้ามละเลึกด้วยตัณหามานาทิฏฐิจะเจอทุกทุกแห่งท่านจะห้ามตรงนี้ห้ามละเลึกด้วยตัณหามานาทิฏฐิแล้ว ป, ปัจจุบันก็ห้ามระลึกแบบนั้ น, น, นด้วยห้ามละเลึกด้วยการมัวิตกพยาบบาทวิตกวิหิงสาวิตกห้ามละเลึกด้วยตัณหามานาทิฏฐิทั้งที่เป็นอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วอนาคตแต่ถ้าละลิกด้วยสติและสัมชัญญะอดีตและปัจจุบันอนาคตละเลิกไว้ด้วย ก็ เ, เกือ้อปูต่อการบรรลุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยชำ้แรกที่เหลือให้ถึงพร้อมด้วยความสิ้นทุกข์โดยชอบมาหมานามาอย่างนี้แหละอริยาสาวชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสปพริสถามเถ็ดประการ น, น, นี้แค่นี้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวจเรียนกุสล อัจอิติปิโสปะคะวาอังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารสัมปันโนสุขโต จิตในการที่จะเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะในการที่ตื่นะเลือกถึงที่บอกว่าอิปิโสภะคาว้พเพราะเตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นต้อนอะทนี้ใช่ควรที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ประกาศแ ต, ต่งตั้งแล้วก็เปิดเผยไปแล้ว และก็พระอริยสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทังตลอดธริยศาสตร์รรมพระผู้มีพระพากยเจา้าแล้วก็สเสดจักันแล้วก็ปริมพภานกรรมพระพุทธเจ้ า, า, า, าท่านก็ได้ป ร, ริิีภานกรรหมดแล้วเหลือแต่พระอริยาสาวกที่ลงรองลงมาและเราท่านทั้งหลายที่ตามลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริ ย, งรยสงฆ์ในการที่เราสาธยายอย่า ง, ง, งน้อมระลึกถึงเนี่ถ้าเราลึกถึงคุณของพุทธเจ้าปฏิบทางในการ ปฏิบัติในการที่จะเจริญในด้านของทานบารมีบารมีของพรุทธเจ้ามีทานบารมีศิ่งบารมีเนคขมารมีปัญญาบารมีของพระเจ้าเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีอุปปะบารมีศึกปรมาถบารมีศึกหมาปริชาค้าหประการเนี่ยนะจนถึงการบริจาคชีวิตเป็นต้นอะไรเนี่ยในแต่ทานจนถึงการบริจาคชีวิตพิจารณาดูที่พระองค์ทรงละทังมาให้เล็กถึงคุนของพระพู้มีพระเจ้า ตลอดทั้งพระธรรมคำสอนที่เราได้มาศึกษาได้มาใคร่ควรได้งาฟังแล้ว้ามาพิจารณาในการที่จะไปะปฏิบัติและเพื่อจะได้เอาเป็นแนวทางในการไปรปฏิบัติในการที่จะเป็นเส้นทางหรือเป็นแผนที่ในการที่จะนํากระแสขันของเราท่านทั้งหลายที่จะเป็นไปในสังสารวัฏพระท่านอัตยาศัยขอให้เป็นแนใจจัยในการที่ได้มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ดีโอกาสในการฟังพระธรรม ภคปรียานามิตรได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติทธธรรมตามสมควรแก่ธรรมในที่สุดจริงๆขอให้เป็นปัจจัย ก, การทงตลอดอริยศักด์ฉะนั้นบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการทงพระธรรมนี้ข อ, ขอให้เราท่านทั้งหลายน้องนะในการที่จะอุทิศ ส, ส่วนบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่ตาตั้งใจนะ สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสสัทไม่่ีุดจะมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนับบัดนี้ก็มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําับัดนี้และบุญอื่นที่ได้ทำมาแล้วไว้ก่อนแล้วื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 สัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวียนกันก็ดีสัตว์เหล่าอื่น่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามสัตว์ทั้งหลายงอยู่ในโลกทั้งสอยู่ในกัมเนดทั้งสี มีในกมเอขันขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันาขัมีขันเดียวมีขันสี่ขั้นกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยใหญ่ก็ดี สัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เราไดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ใหแล้วเพราะสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเธอขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ ส่วนสัตว์ันรู้ส่วนูขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยขอให้ทั้งหลายโปรดบอกสัตว์ให้เหลาน้ขอเที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญขอเที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรูป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานูนสุ ความป <ด desktop S 3> รารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดาปรารถนาที่ดีงามของสเานจงสเร็จเถิดทาวันพระครัสมมาสมุปวััวันต No.